เป็นไงสบายดีทุกคนเดีวสบายบ้างไม่สบายบ้า ง, าางถ้าสบายก็ไม่มามามาเลยอ่ารงนี้มันไม่มมันน่าจะสบายนะแต่มันไม่สบายนะ<ม>เดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็ไม่สบายเหมือนพลิกไปพลิกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ตลอดเวลาสอนหน้าก็ยังไม่ตลอดเวลาเวลาไม่สบายใจเพราะอะไรรู้ปะเวลาไม่สบายใจเคยถามตัวเองหรู้ปะทำไมไม่สบายใจถ้าไม่คิดก็สบายใจแสดงว่าคิดความคิดทำให้เราไม่สบายใจบางครั้งก็ก็รู้จักวิธีแก้ความไม่สบายใจ ไม่คิด่างมันอ้ไรกันมันจะคิดจะทำไงจิดได้รอไคะิดได้เลยถ้ามันเดิมไม่ยอมอใช่ั่นแห่ะอ๋อเดี๋ยวนี้คถามคถามนะคะเออท่านรับได้มนุษจิตไปข้างนอกคะที่บ้านสัดีออไม่ไปหรอกไปแค่บบนทบาทบ้านอำเภอค่ะอาคืออน้อุ้ยกแค่บัสขาวดีภรรยาคยพาปีที่แล้วอะค่ะอ เิเกดรเพราะว่ามันมันมีกิจจักิ จ, จวัตรประจำแล้วการรับมันมันจะไปขัดกับกิ จ, จวัตรให้นิมนต์ที่ในวัดยานได้ใช่ไหมคะพระ ท, ที่นั้นได้ไปติดต่อข้าวเจ้าวา่าเดี๋ยวนี้วดัดนี้มีเจ้าวาดนะไปถามเจ้าไปถามเขาว่าเจ้าวาดอยู่ที่ไหนแล้วก็ท่านเพิ่งมาอยู่ปีนี้ยพิ่งเอาเพิ่งแต่งตั้งท่านท่านมาจากวัดโบ เมือ่อก่อนนี้ที่ที่นี่มีแต่รักษาการรักษาการท่านก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ท่านอยู่ที่กรุงเทพแล้วแล้วสมัยนี้ไม่ไม่ไมทำพิธีเผาพระศพคงจะเขาเขาคงจะมีส่วนกลางที่จังหวัดชนบุรีเนา ะ, ะก็เลยที่มาเขาก็เลยให้แล้เขามีส่วนกลางมีส่วนตามอําเภอตามอะไร ทางเราก็เลยไม่ได้จัดกันจริงวัดจ้าน็นตัวเลยนะคะมีภาษาสากลได้ควงด้วยแต่ไม่ทราบ น, นะไม่ได้ยินข่าวเราเป็นลูกวัดเราไม่รู้ว่าเขามีหรือเป่าไม่ได้ไปประชุมขเขา อ, อาจจะมีก็ได้เป็นลูกวัดสบายกว่าไม่ต้องปวดหัว <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นหัววัด น, นี้ต้องรับภาระทุกอย่าง ี ใ, ใครมาหาก็โยนให้จเจ้าอาวาสไปหมดนะท <c oughs> บายเราไม่ได้มาบวชเพื่อเอามามามาหาเรื่องเรามาบวชเพื่อหนีเรื่อง <c oughs> เรื่องในโลกมันวุ่นวายทำเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบ ม, มีเรื่องให้ทำอยู่เรื่อยๆอ <c oughs> ันไม่ไม่เอามันดีกว่าเอาเรื่องเราดีกว่า <c oughs> เรื่องเราก็เคยหยุดคิดเนี่ยอย่างที่โยมบอกนะ คิดเร kind of uh, ืที่สบายสอ่าคิดเรื่องสบายอ่าคิดเรื่องสบายแล้วทาไม่สบายก็หยุดคิดเลยนะลองจับประเด็นถูกว่าเนี่ยปัญหาของพวกเราอยู่ที่ความคิดของเราเองชอบคิดไปในทางที่ผิดชอบคิดเราททำให้เราไม่สบายใจเพราะชอบคิดไปในทางที่มันเป็นไปไม่ได้อยากให้ของตายมันเป็นมันไม่ได้อยากให้ของเป็นตายก็ไม่ได้ ถ้ามันยังเป็นมันก็ยังเป็นอยู่จะใ้มันตายก็ไม่ได้ถ้ามันตายอยากให้มันเป็นก็ไม่ได้พราะมันตายแล้วแต่บางทียังฝืนยังยังอยากอ ย, อย่างให้ของตายมันเป็นของเป็นถ้าเราไม่ชอบของเป็นก็อยากให้มันตายพอไม่ตายเราก็ไม่เราก็ไม่สบายใจต้องไปจ้างคนให้มาฆ่า เพราะว่าคิดว่าอยากจะให้เขาตายพอเขายังไม่ตายก็เลยไปจ้างนุปืนให้ไปฆ่าถ้าเสร็จแล้วก็ต้องไปติดคุกติดตารางด้วยกันทั้งคู่คนฆ่าก็ติดคนสั่งก็ติดม า, มาจากบ้านสุขาวดีะจะมีแล้วก็พามานะฮ ะ, ะจะมีกิจกรรมอะไรเล ย, เลยถึงต้องนิมนต์พระงานประจำปีเลยงานมันเกิดคุณปัญญาเลย นิมนตมาทานี้ามจานไป อ, อตมามีแต่นิมนต์ญาติโมยมมากเรื่องสายทีนี้ก็ที่แถวนาเกลือเขามีเคเบิลช่องหนึ่งเขาถ่ายทอดสดตอนนี้อยู่แล้วบางลำมุนเคเบิลอันนี้กำลังทดสอบอยู่วันนี้ก็มีใช่ไหมวันนี้วันนี้ถ่าย ถ่ายทอดถ่ายมาตออลอดหสี่แล้วก็หลังจากจากนั้นก็มีมีขอ ง, ของบานทึกเก่าดูได้ทั้งวั น, นทั้งคืนเกหล่ำเขกรหลเซ็ตตัวนั้นยืดยืดสี่ชั่วโมง้เดี๋ยวนี้อาตมาไปถึงบ้านญาติโยมแะ้านโยมถึงจะเปิดเปิดเครื่องก็เข้าถึงเลยมีเพื่อนบ้านนะเขาอยากมาแต่ เ, เล้ว็ร่างกายเขาไม่พร้องก็เลยให้เขาดูตรงนั้นอบอกก็คนอยู่แถวหน้าเกลอนบางอุมงเคเบิลเขามา ถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็มีดูย้อนหลังได้ด้วยเหมือนกับใน y o u t u ู e หรือในเฟ e b o o k นี่ก็เข้าไปได้ราเหาุที่ไม่อยากจะไปรับกินนิมนต์มันก็คือมันเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังมันเป็นเป็นพิธีกรรมมากกว่าเคยไปสมัยบางที่ขาดเขาไม่ได้ก็ไป แันเขาในมโไปขึ้นบ้านใหม่หรือไปวันอะไรงานอะไรของเข า, เาพอไปถึงบ้านเนี่ยมีแต่คนแก่สองสามคนนั่งฟังพระ ส, สวด <c oughs> คนคนหนุ่มคนสาวก็ไปต้อนรับแขกกันแขกก็ไม่เข้ามาฟังเทศพระ ส, สวดก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรไปนั่งสวดคนฟังก็ฟังไม่เข้าใจคนคนเห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเท่านั้นเอง ให้เป็นเป็นมงคลคือขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องนิมนต์พระมาสวดมาปะพบน้ำมนต์มาเจอมาอะท่านเนแตมนม่มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังมันเป็นพิธีเป็นเหมือนกับเล่นยี่เกมันไม่ได้เป็นมงคลอาจจะเป็นมงคลตรงที่ว่าได้ทำบุญทำทานได้เสียสละเงินทองก้อนหนึ่งมาทำอาหารมาเลี้ยงพระ อันนี้เป็นบุญทำที่ไหนทาแบบนี้ใส่บายก็ได้บุญเหมือนกันไม่ต้องให้เสียเวลาไปนิมนต์พระไปรับพระไปส่งพระแล้วมานั่งสวดสวดนี้คนสวดได้นะไม่ใช่คนฟังนะใครสวดใครก็ได้เพราะการสวดก็เป็นการฝึกให้คิดไปในทางที่ดีไงสมมติเวลาโยมคิดไปในทางที่ไม่ดีแล้วไม่สบายใจก็สวดมนต์ไปสิ จนวนไปแล้วเดี๋ยวก็ลืมเรื่องที่ทาให้เราไม่สบายใจแต่นี่วนไปยยมก็ไม่ฟังพาส่วดมีแต่คนแก่คุณตาคุณยายสองสามคนนั่งอยู่เ ป, เป็นพิธีส่วนคนหนุ่มคนสาวคนมีกำลังมังชาเขาก็ไปคุยกับแขกไปต้อนรับแขกเอกกัวก็อยู่ในอยอยู่ในโรงครัวเต็มกับค้องกับข้าว วุนกันไปหมดพอพระสวดเสร็จก็เอาอาหารมาประเคนประเคนพระฉันเสร็จก็ให้พรขอน้ํามนต์เจอมาแล้วก็นิมนต์กลับบ้าน <c oughs> กลั บ, บลวัดเลยสมัยก่อนสมัยพระพุทธการเนี่ยเขานิมนต์พระพุทธเจ้าไปเนี่ยเขานิมนต์เพื่อให้ท่านไปพูดธรรมะเนี่ยไปนิมนต์ให้ท่านฉันฉันเสร็จแล้วก็ให้ท่านแสดงธรรม สแสดงธรรมเพื่อจะได้เป็นสิริมงคลธรรมะนี่แหละเป็นมงคลตัวมงคลเพราะธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของเราที่มืดบอดด้วยความหลงให้เห็นถูกผิดดีชั่วพระุเจ้พระบุ ธ, ะบธเจ้ารับกิจนิมนต์ก็เพื่อที่จะไปสะแสดงธรรมถ้าให้ท่านไปสวดท่านคงไม่ไปนะถ้าไปแล้วก็ไม่มีคนฟังท่านก็ไม่ไปเหมือนกัน ไปแล้วมีคนสองสามคนมานั่งฟังส่วนคนใหญ่คนคนอื่นไปไปต้อนรับแขกกันไปคุยกับแขกกันนะอย่างนี้ก็ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เลยไม่ได้ไปพระสายปฏิบัติส่วนใหญ่ท่านจะไม่ค่อยไปงานงานแบบนี้นอกจากเสียไม่ได้จริงๆบางทีก็มีความผูกพันกันมีอะไรที่จะต้อง ถนอมน้ําใจกันบางทีท่านก็ไปให้แต่ท่านอยากถ้าไปแล้วให้ไปฟังทำนะท่านอยายินดีไปท่านจะเลยพูดธรรมะให้ญาติโยมฟังอย่างสมัยที่หลวงตาท่านทําผ้าป่าช่วยชาติเนไทยเขาดิมวนท่านไปรับผ้าป่าท่านไปแล้วท่านก็เทศไม่ท่านไม่ได้ไปรับผ้าป่าอย่างเดียวท่านเทศก่อนท่านถือโอกาส ใช้อุบายของการไปรับผ้าป่านี้เป็นอุบายให้ได้สอนธรรมะแก่ญาติโยมแต่ญาติโยมไม่รู้ห่ะกญาติโยมคิดว่าจะมาถยายผ้าป่ามาทําบุญแต่ถ้าเอาโอกาสนี้มาสอนธรรมะให้เห็นคุณของการทําบุญเห็นานุสงของการทําบุญว่าเป็นประโยชน์กับจิตใจ จ, จิตใจเรานี่ยังต้องเดินทางไกลเรายังไปไม่ถึงบ้านของเราเรากำลังหาบ้านเราอยู่เราจะไปถึงบ้านได้ก็ต้องมีบุญพาไปมีบุญที่เกิดจากการทำทานมีบุญที่เกิดจากการรักษาศีลมีบุญที่เกิดจากการภาวนาถ้าเรามีทานมีศีนมีภาวนาเดี๋ยวเราก็ถึงบ้านบ้านที่เรา มีความปลอดภัยบ้านที่เราไม่ต้องไปละเหยเล่้ลอนต่อไปตอนนี้เรายังละเหยเลด้ล่อนอยู่เนี่ยนตอนนี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนียเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพอร่างกายมนุษย์นี่หมดแล้วเราก็ต้องไปต่อบ้านบ้านชั่วคราวเราได้บ้านชั่วคราวเราไม่ได้บ้านถาวรตอนนี้เราจะจนใคอย่นี้ค่ะนั่นน่ะสิก็เพราะเราหลงเลยหลงทางน ทางไปสู่บ้านไม่ไปไม่ชอบกลับบ้านชอบทะเลทล่ายชอบแวะตามบาตามผับตามศูนย์การค้าตามโรงหนังโรงละครแล้วก็มาร้องหม่มร้องไห้พองเดียวบงทีไปเจอโจรบ้างเจออะไรบ้างชีวิตของเรานี่มันยังต้องมีอะไร ที่รอเราอยู่ที่เราต้องร้องหอบน้องห้ายกันเด็กนะเดี๋ยวร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาต่อไปร่างกายจะต้องแก่แล้วในที่สุดก็ต้องต้องหมดลมหายใจพอหมดลมหายใจเราที่อาศัยร่างกายเลยไม่มีที่อยู่แล้วก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ช่วงที่ไปหาร่างกายอันใหม่ก็ต้องมีบุญเป็นที่พึ่งไป ถ้าไม่มีบุญก็จะไม่มีความสุขเหมือนคนที่เดินทางแล้วไม่มีเงินติดตัวไปถ้ามีเงินติดตัวไปก็ถึงเวลาก็พักที่ทไหนได้ชั่วคราวพักโรงแรมพักอะไรได้จรงกาจะไปถึงบ้านหลังใหม่ก็ไปสบายหน่อยแต่พวกที่ไม่มีเงินติดตัวไปก็ต้องเป็นนอนตามข้างถนนนอนตามป้สะพาน จนกว่าจะได้บ้านหลังใหม่ก็ได้ร่างกายอันใหม่แต่จะได้หลังได้บ้านได้ร่างกายกี่หลังก็ตามกี่ร่างก็ตามเดี๋ยวก็ต้องหมดเกิดมาท่านห้าสิบปีหกสิบปีแปดสิบปีร่างกายก็ต้องปวดลมหายใจที่เราทำบุญให้กับพ่อแม่เนะคะ้าเราพ่อเราจะได้ไหคะถ้าเราทบุญเเนี่ยเขาไปสจะไปใช้ในพบหน้าหรือเปล่าถ้าเขารอเรา เราต้องให้เขาตอนที่เขาตายแล้วเนี่ยเช่นเราวันทําบุญวันนี้ถ้าเราแล้วเขาส่งไปได้ถ้าเขารอรับอยู่เขาก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ได้รอรับก็เขาก็ไม่ได้บางทีเขามีเงินติดตัวไปเขาก็ไม่ต้องมารอแต่ถ้าเขาไม่มีเงินติดตัวเขาก็จะคิดถึงเราก่อนบางทีเขาก็จะมาเข้าฝันหลงร้อพ่อแม่ลําบากเหลือเกินลูกๆช่วยพ่อแม่หน่อยสินะะ ยถ้ามีคนตายเข้าฝันนั่นบอกว่าแสดงว่าเขาจะมาขอส่วนบุญแล้ ว, ลวก็ตอนเช้าก็ใส่บาตรทาบุญไปแล้วก็อุทิศบุญไปให้เขาออไม่ดีก็ดีจะเนี้ยแสดงว่าเขามีบุญแล้ ว, ลวเขาทําบุญอยู่เป็นประจำํำเขาก็ไม่ต้องมาขอบุญ โลที่ไม่ทําบุญก็ชอบทําบาปเนี่ยพวกนี้จะต้องมาขอบุญจากคนอื่นนะถึงแม้ว่าส่งไปมันก็เหมือนกับส่งไปส่งอาหารไปมื้อหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยลมื้อต่อไปก็ต้องมาขอใหม่เพราะบุญนี้ส่งไปทีละมั่งมากไม่ได้ส่งไปได้ทีละมือ้อเนี่ยต้องทําบุญใส่บาตรทุกวันนะทาบุญทุกวันส่งไปทุกวันจนกว่าเขาจะได้ร่างกายใหม่ เขาได้ร่างกายเหมือนเขาก็ไม่ต้องมาขอบุญแนะ้วเขาก็หาใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหากินได้นะแล้วเดี๋ยวเขาตายอีกเพรร่างกายทุกร่างไม่ว่าจะเป็นร่างกายแบบไหนมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดสิ้นสุดแล้วก็ต้องออกไปหาร่างกายใหม่ต่อไปพระพุทธเจ้าเห็นว่าแหวิธีนี้มันไม่มีวันสิ้นสุดต้องไปหาร่างกายใหม่เรื่อย ก็เลยร่งค้นหาวิธีว่ามีวิธีไหนที่ทำให้ไม่ต้องไปมีร่างกายใหม่ไหมมีบ้านที่ถาวรไหมบ้านที่ไม่ต้องเสื่อมไม่หมดหหมีไหท่านก็ค้นพบว่ามีอยู่ชื่อว่านิพานนิพานคือบ้านที่ไม่มีวันจบไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันตายนิพานคืออะไรก็คือใจของเรานี่แหละที่ได้ ไปสู่จุดที่อิ่ที่พอที่ไม่มีความอยากได้อะไรแต่มไม่ผิดศูนย์เลยไม่ใช่ไม่ศูนย์ไม่ศูนย์คำว่าศูนย์คือกิเลสตัวที่ทําให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอความอยากความโลภเนี่ยศูนย์แต่ใจที่ชําระกิเลสหมดแล้วไม่ศูนย์ใจเหมือนเสือเส้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าที่สกรปรกเราไปซักใช่ไหมอะไรศูนย์เวลาซักเสร็จ คาบสกปรปกใช่ไหมแล้วเสื้อผ้าสูญไม่ด้วยเป่าเสื้อผ้าก็ยังอยู่ที่เรามาทำบุญรักษาศีลภาวนา น, นี้ก็เป็นการซักฟอกใจเราทำความสะอาดใจของเราให้ใจของเราสูญจากความโยกความโกรธความหลงสูญจากความอยากต่างๆพอใจเราไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาแล้วใจเราก็อิ่มขึ้นมาสุขขึ้นมาพอขึ้นมา นี่ะเป็นบ้านของเราอยู่ที่ตัวเรานี่เองเราหลงไปหาบ้านข้างนอกกันที่เป็นบ้านชั่วคราวบ้านแท้จริงของเราก็คือใจของเราเนี่ยเพียงแต่ว่าใจของเราตอนนี้ถูกหลอกด้วยกิเลสด้วยความหลงหลอกให้เราไปหาบ้านชั่วคราวกันบ้านถาวรไม่รู้ว่าอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ใจของเราเองพระพุทธเจ้าทรง หันกลับเข้ามาดูามองไปข้างนอกไปที่ไหนพบไหนชาติไหนก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ชั่วคราวไปเป็นเทวดาก็ชั่วคราวไปเป็นพรมเป็นอะไรก็ชั่วคราวไปเป็นเดรัจฉานก็ชั่วคราวเป็นเปรตเป็นอะไรก็ชั่วคราวมีใจนี่แหละที่ไม่ชั่วคราวใจนี่แหละถาวร าใจไม่ไม่เข้ามาหาใจกลับไปหาอย่างอื่นก็เลยต้องไปทุกข์กับสิ่งอย่างอื่นเพราะพอเราได้อะไรมาเราก็หวงเราก็ไม่อยากให้มันจากเราไปพอมันต้องจากเราไปเราก็เศร้าโศกเสียใจเเี่พวกเราโชคดีเนี่ยได้มาเจอกับพระพุทธเจ้าหรือได้เจอกับคําสอนที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ที่จะสอนให้เรากลับเข้ามาหาบ้านของเราอยู่บ้านของเราบ้านของเราคือใจของเรานี่แหละแต่เราต้องทําลายความหลงทําลายกิเลสตัณหาให้มันหมดไปก่อนถ้าเราไม่ทําลายเดี๋ยวมันก็หลอกให้เราไปหาบ้านใหม่วิธีหลอกก็คือหลอกให้เราไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกาย เห็นอะไรก็ชอบเนี่ยแสดงว่าถูกหลอกนะเห็นอะไรก็อยากได้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ากำลังถูกหลอกพอหลอกแล้วก็ต้องไปเอาสิ่งที่เราอยากได้เห็นกระเป๋านี่ก็อยากได้เห็นรองเท้าก็อยากได้เห็นเสื้อผ้าก็อยากได้ทั้งๆที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเราก็อยู่ได้แต่อดไม่ได้เพราะถูกหลอกว่าได้มาแล้วจะมีความสุขอ่า ไม่ถูกอย่าพูดได้ไงอย่าพูดก็เรียกว่าธรรมะโดนใจโดนใจถูกใจใช่ไหมเหมือนกับรู้ใจเพราะนี้เป็นใจของทุกคนเหมือนกันหมดใจของคนทุกคนถูกหลอกให้มาชอบสิ่งต่างๆในโลกนี้อาจารย์คะ ตอนนี้เราเราอยู่ในสัมขานมนุษย์ในภพนี้ถ้าเกิดว่าต่อไปทุกคนก็ต้องจากสัมขานไปแล้วดวงจิตนี้เป็นดวงจิตเดิมๆเนี่ยใช่คนเดิมนะเราจะต้องไปสู่ภพภูมิหน้าไปเรื่อยๆเออเป็นเปลี่ยนเป็นร่างกายใหม่เหมือนเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ไงคนขับคนเดิมจิตเดิมคนขับคนเดิมอะเราคนเดิมเราเพิ่งแต่ไปเปลี่ยนร่างกายคิดว่า การปฏิบัติธรรมของเราในภพนิพพุกนี้ว่าเราจะปฏิบัติธรรมได้เยอะแค่ไหนอจิอตใจเราจะล้างสะอาดได้แค่ไหนออพอเราถึงเวลาที่จะต้องละไปจากไป เ, เราก็จะไปในสภาพจิตใจนั้นๆใช่ไหมคใช่อจิตใจสุกก็จะไปกับใจใจก็จะสุกไปสุขสติสมรู้สุขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราใช่เหมือนเราทำบุญแล้ว ก็ เ, <g ül> เหมือนเราเปลี่ยนเสื้อผนะ้าเนี่ยเราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วตัวเรารู้สึกยังไงมันก็เหมือนเดิมอยู่ไหเราทุก็มันก็ทุกเหมือนเดิมเราสุขแ ล, แล้วมนุษย์ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อไปนิพพานล่ะคะก็ น, นี่แหละก็ทําให้ใจสุขเนี่ยยิงย่งยิง่งยิ่งยิ่งปฏิบัติธรรมสูงขึ้นมาเท่าไหร่คืว่าไปนิพพานนี้เอ่อเท่าที่สาราเคยศึกษาธรรมนะคะเขาบอกว่าไปนิพพานนี้ไม่กลับมาเกิดแล้วใช่ก็ไม่ต้องการนั่งกัน ก็ได้ไงก็เพราะว่าใจากรรมที่กรรมที่ทํามาระหว่างที่ที่เรายังไม่เข้าสู่นิพพานเนี่เราไม่มาชดใช้แล้วค่ะไม่ต้องใช้แล้วจิตเดิมเดิอ่าไม่ต้องใช้ละเป็นอย่างนั้นเพราะร่างกายที่มาเป็นตัวเชื่อมกับกรรมมันพระเจ้าท่านตัดไว้แล้วตัวต้องมีร่างกายถึงจะมารับกรรมได้ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่มีอะไรจะที่จะส่งไปส่งไปให้ใจได้ะ ก็คือก็คือว่าพอเราละสังขารเราใช่ไหมคะแล้วเราเหลือแต่ดวงจิตถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราเป็ น, นสังอยู่ในสังขารกายยาบเนี่ยแล้วเราปฏิบัติธรรมจนจิตเราเข้าสู่นิพพานนิ่งแล้วแล้วเสร็จแล้วพอสังขารเรามาลายศูนย์ใช่ไหมคะ เ, เป็นดินน้าลมไฟแล้ว เราเหลือแต่ดวงจิตซึ่งเข้าสู่นิพพานอดวงจิตนี้จะไม่มาจุติเป็นมนุษย์อีกใช่ไหมคะใช่แล้วถูกต้องถ้ดวงจิตนี้ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรใช้กายยาบบาเพ็ญเพียรจนเข้าสู่นิพพานนิพพานคํำนิพพานก็คือใจสะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นเทวดาได้ไหมคะก็เหนือกว่าเทวดาไปเป็นเทวดาคือคือการปฏิบัติที่ใช้กายยาบปฏิบัติจนเข้าจิตจิตเข้าสู่นิพพานก็คือกายหยาบสะอาด กายหาบเหมือนเดิมไม่สะอาดไม่สกปรปกมันก็มันเป็นดินน้ำลมไฟตัวที่สะอาดคือใจสะอาดจาก<ใ>จความาโลภโกรธหลงดวงจิตเราสะอาดอแล้วพอดวงจิตออกจากล่างกายหยาบก็สูนสิส้นเป็นดินน้ำลมไฟแล้วกใจสะอาดก็ไม่ไปหากายยาบอันใหม่เลิก ไม่มีความอยากได้เท่านั้นเองไม่อยากได้เราถ้าเราไม่อยากลดละกิเลสจนเข้าสูญนิพพานแล้วอก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกายเป็นศูนอบริสุทธ์ก็ต้องการจุดอีแแต่ใจไม่ได้หายไปไหนใจไม่ได้ศูญดวงจิตยังอยู่แล้วจะไปจุดจิตที่ไหนคะก็อยู่ที่นิพพานนิพพานคือก็คือที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ ไ ม, ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายไงจุดคือเคยจิตที่ไม่ต้องไปมีร่างกายนั่นเองนิพพานถ้ายังต้องมีร่างกายหรื อ, อก็อยังจะไม่นิพพานคำว่าชดใช้กรรมละ่ะคะก็หมดไปเพราะว่าไม่มีร่างกายมาเป็นตัวรับกรรมไงต้องมีร่างกายถึงจะมารับกรรมได้ อ, อ, อย่างองคุลิมาลฆ่าคนเก้าร้อยเก้าส <พอ S 1> ิบเก้าคนพร้อมเป็นผ้าละหันแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีก การที่ฆ่าคน999คนก็ไม่ต้องมาถูกเขาฆ่า999ครั้งเพราะไม่มีร่างกายให้เขาฆ่าการเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่เป็นวงเวียนไม่มีต่อไป่่ีระจจักทาบลใชแต่ใจก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่เดิมไม่ตจยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ต่างจากเดิมคือไม่ทุกข์แล้วไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขถึงเรียกว่านิพพานบาลมังสุขขัง นิพพาน <ฮะ S 1> มีแต่ความสุขอย่างยิ่งนิพพานนี้จะไม่กลับมาเกิดแล้วอ่าไม่กลับมาเกิดเพราะไม่มีความโลภความอยากไม่มีความโลภความอยากอืค่ะต้องกำจัดความโลภความอยากให้หมดส ร, ราเห็นว่าเอท่าที่ส ร, ราได้ยินจากการที่ส ร, ราก็ค่อนข้าง ม, มาสายธรรมเยอะนะคะคือไปที่ไหนก็บอกว่าจะบังเพลนให้เข้าสู่นิพพานแล้วทีนี้ความคิดของสราคือ เรากำเก่าๆที่เราสร้างมาอย่างเช่นเราโกรธพ่อเราตำหนิพ่อแม่เราจะต้องกลับมาวนไหว้ตายเกิดไม่มีแล้วตรงมาใช้ใช้กรรมตรงนี้อีกหรือเปล่าไม่แล้วไม่ต้องแล้วถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนว่าเอ่อเราเราเราละกิเลสได้เยอะใช่ไหมคะถ้ายังไม่ถ้ายังถ้ายังกลับมาเกิดอยางเข้าสู่นิพพานจิตเราสงบอะไรอย่างเงี้ยสะอาดแเราบริสุทธิ์แล้วอืม แล้วก็จะไม่ก็เรื่องกรรมเก่าที่เราสร้างมาก่อนที่เราจะมาสู่นิพพานเนี่ยเราจะต้องมาชดใช้หรือเปล่าสละจะจะขัดแยง้งตัวเองอยู่ตรงนี้ตลอดไม่ต้องชดใช้ไงเพราะว่าเราไม่มีร่างกายที่จะมารับกรรมนงเหมืนคนที่ทําผิดกฎหมายแล้วออกจากประเทศไปเนี่ยก็อาจจะว่าช่วงที่เราดีลมหายใจอยู่นี่เราก็าไม่กลับมาประเทศรรนี้่ น, นิพพานทางทางการเมืองไง แช่ไหมท้าก็ไม่กลับมาประเทศไทยก็ไม่ต้องมาเข้าคุกมาติดคุกในเมืองไทยอ่าสมักันเลยอีกล้อ่ามัน <c oughs> ก็เหมือนกันเอายกตัวอย่างอยู่ในใจทำอยู่เนใจไปเลี้ยวไปดูใบแล้วอ่านี่ยกตัวอย่างให้ฟังเลยเจ้าจางนะท <c oughs> ้าไม่มีร่างกายก็ไม่มีการจะมาใช้กรรมท้ามีถ้ายังมีร่างกายอยู่เช่น <c oughs> ยังถ้าเป็นยังโสดาบันอยู่เนี่ยยังต้องกลับมาเกิดเจ็ดชาติอยู่พ <c oughs> อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ กรรมเก่าที่เคยไปฆ่าคนมันก็จะกลับมาทำร้ายท่านได้เป็นผ้าอาหารถ้ายังไม่ตายก็ยังกรรมเก่าก็ยังถูกยังมาทําร้ายท่านได้พระโมคคัลานะเนี่ยกรรมเก่าที่ท่านทําไว้ในอดีตท่านเป็นท่านเป็นผ้าอหารแต่ยังมีร่างกายอยู่ใจท่านถึงนิพพานแล้วแต่ร่างกายอันเก่านี้ยังยังอยู่มันก็ยังต้องรับกรรมต่อไปอย่างเช่นตอนนี้ยกตัวอย่างสราอยู่สรารู้สึกว่า เออเราก็ถือศีลกินเจนะเราก็สวดมนต์ไหว้พระเราก็นุ่งขาวห่มขาวเราไม่มีสามีนะไม่ทําอะไรผิดศีลส่วนใหญ่จะทำํำแต่ทําไมยังได้รับกรรมอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยเดือนเดือนี้ต ล, ล า, าได้ออได้รับข่าวดีดีน้องชายขายบ้านไปแล้วขายบ้านสล า, าอะไรอย่างเงี้ย เ, เราจนมองดูท้องฟ้าว่าทําไมมันเจ็บปวด น, นักแล้วเรา เราคงชดใช้กรรมอยู่บางค่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้ายังมีร่างเราอยู่ในกายอยาใช่แล้วยังมีร่างกายใจตรงนี้แล้วอะไเงี้ยวันนี้มาถึงบางอ้อแล้วอถ้าไม่อยากจะชัดว่ายังรับกรรมอยู่เพราะเรายังมีกายอยากใช่ใช่งั้นอย่าไปมีกายอยากแล้วเราก็ต้องปฏิบัติด้ยให้ดวงจิตเราไม่อยากได้กายอยากไม่อยากได้กายอยากเราต้องปฏิบัติให้ดวงจิตเราไม่อยากไมีกายอยากเพื่อจะมาสุดตีอีใช่ ต้องแบบว่าก็หยุความอยากสามอย่างมนาจไม่อยากมาจุ่ตีแล้วอาจารย์ไม่อยากได้เงินขายบ้านไม่อยากได้อยากเลยาต้องไม่อยากจะฟ้องอยู่ค่ะแสดงว่ายังอยากอยู่ยังอยากฟ้องอยู่แค่อ่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ยังต้องกลับต้องใจอยู่ไปขายบ้านจะทไมเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดอีกกลับมาเกิดเีกน ไยังรายกินเองไม่ได้ถ้าฟ้องนี่ยังยังมีโอกาสที่จะได้บ้านกลับคืนก็กลัวได้บ้านอยู่ว่าจะไปฟ้องเขาอยู่แต่ก็กลัวเวรกรรมไม่รู้จะทำยังไงก็ตายความอยากไปไงตามบุญตามกรรมเขาบอกตามบุญตามกรรมไงก็ถือว่าเราใช้กรรมไปไงชาติก่อนแล้วอาจจะไปแย่งบ้านของคนอื่นเข้ามา ทช่นี่เราต้องคิดทุกวันคิดว่าควคิดจนเบลอพยายามจะคิดแบบนั้นแต่ก็นะกิเลยังเยอะมีโกก็อยู่กอยู่แคนอยู่ที่มาที่นี่มาครั้งแรกเหรอมาครั้งแรกใครพามาก้อยก็เคยชวนคุณนุชก็เคยชวน ้ก็ถูกแล้าเขาทำใจไม่ฟ้องเขายืมมาให้เขายืมสายมุลค่ะถ้าไม่ชวนมาทำบว้ไม่ทใจก็เลียงไม่มีตอนปีไม่มีหลักทรัพย์ประกันไหมก็มีแต่เราก็เลยไม่ฟ้องค่ะอ่างี้ยะคิดแบบอาจารย์ไงว่าเราต้องละเราอาจจะเคยทํทีแล้วเราทำ เราเคยไปโกงเข้ามาแม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องรับกรรมเลยแล้วก็มีเพื่อนเอกพระพุทธเจ้าแล้วก็มีของเพื่อนอีกสิบล้านเหมือนเราช่วยเขาอะคะเหมือนเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอีกสิบล้าแต่ถ้าอยากจะสุขก็คิดว่าทาบุญไปก็แล้วกันก็แบบว่าแม่ว่าแม่โง่ให้คุณยืมทำไมนานรัวการรู้ตัวว่าแม่เซนที่เขาทำอะไอ เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดจริงเลยบอกลูกว่าไม่เป็นไรลูกสมบัติไม่ตายเรามีสองมือสองขาเราเดี๋ยวหาใหม่ได้แเราพร้อมได้คืนแต่ถ้าเขาเอาของเราไปเดี๋ยวเขาก็ต้องมาชดใช้อ่าใช่ก็วันเนี้ยพิธีเราจะสบายใจ่แล้วก่อนที่จะมาเจอพระอาจารย์ปุ้ยจะเจอปุ้ยไปถือศีลอะไรอย่างนี้ยค่ะอืมา เราก็เลยต้องทาใจทาใจเนี่ยดีที่สุดมือเนี่ยเป็นของนอกกายตับใดที่เรายังมีสองมือสองขาดีตายไปกไปไม่ได้ี่อยู่บนสวรรค์จะตกมาที่ดีเหมือนพระพุทธรูปชี้ฟเาเนไปเราขึ้นได้เราก็ตกได้เราตกได้เราก็ขึ้นได้เขาเรียกว่าอนิจจังเนไม่แน่นอน เป็นไรคงจะฆ่าตัวตายไปแล้วถ้ามีธรรมะก็ไม่ฆ่าตัวตายใช่ก็นี่ไงก็มีความสาขสบายทุกวันนี้ก็อยู่แบบบอกขายแล้วชอกเลยอะไรนะสมถานนี่ดีนะก็รู้ว่าขับรถมาได้ไกลไงเราก็เป็นชีวิตใหม่ยนะพระอาจารย์ประกอบมี่นิยมทุกอย่างต้องเป็นแต่ต้องดเงินไปเยอเป็นเพื่อนก็จากหน้ามือละ เปรื่ยนเป้กระเป๋าเป็นท e s ก o บ้างก็ได้เนี่ย Tesco ก็ได้เองนี่ตอนก่อนนี้ชางแค่อะไรลูกกระบอกใหม่แต่ตอนนี้ไม่ละเอาท e s c o เอา Big C ก็ได้เนยกระเป๋าเนียกระเป๋าพลาสติกเนี่ยมีหยอ่อทใจได้ไงคะก่อนนี้เสื้อผ้าอะไรต้องเป็นชุดห่เป็นมื่นรถต้องเป็นอะนี่ตอนนี้กระบอกกระปอะไรก็ได้ได้ค่ะ เด็ดดินแล้วแต่จริงๆนะมันสอนเราจริงๆน ะ, ะเหมือนทางม ะ, ะถ้าไม่โทษ ก, ก็ไม่เห็น ท, ทนอ เหมือนกินข้าวกับน้ำตาลทุกวันเลยบาเงินเรทั้งมไป้ก้าจากคคุณโยคุณสาลาเริ่มกันคิงซาลาเรพีป57เกี่ยวกับอาหารเลยครับ่าจารแต่ยังดีว่ามีบ้านอยู่บ้านมีอะไรเย็นรูปก็ว่าูกระเปกรนบวาทุกครั้งเลยอนน่ จนทะเกัเลยพูบอกแม่งโง่แต่มีสมบัติเอาแม่เขายืมเนเห็นไหมอะไรนะเขาเห็นเราไหมจู่วันนี้เขามองเราเป็นหมาอะไรเงี้ยไม่ไปได้ละเราเราเปจิตใจดีเราคิดว่าเราเปจิตใจดีมีความเมตตาความเมตตาพี่ชายของพันรยาจะรู้วิธีวิจิตรี่มาทำนะต้องมาเกิดใหม่เนี้ยละ ตันนี้มีปัญญาล้วมีดวงตาเพื่อนเพื่อนอะไร<ม>ี่ค่ะเมื่อก่อนนี้จแบบเหมือนแบบอยู่คนเดียวอายด้วยแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะคือเราทำมาเราปรับใช่มีมีดวงตาเห็นธรรมนะนิสล า, ายยิงน้อยนิสล า, ายยิงน้อยกว่าป้วเจ็บเหมือนกันคุณป้วยขานลายเะบเจ็บของปวย เ, <c oughs> เป็นคำประกันอี ก, กาํปกกาประกันหมดไปเป็นเป็นพันล้านนะคะ เก็บแป๊บแป๊บยค่ะเก็บตัวคไปทำประการต่างๆาเป็นกรรมการกรรมการพระพุทธเจ้าก็พอๆไปยิ่งสาราดีพอๆไปยิ่งค่ะอย่างที่เราไม่ออกนอกประเทศเขาทำละเอียดมากของอินเดียล่าสุดตั้งห้าสิบกว่าตอนนะคะเขาทำได้ดีมากก็ก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าก็เจอวิบาก กรรมจากท่านเทวทัตเยอะมาก yeah, yeah. านะครับะ mm. ท่านเทวทัตก็ใส่ร้ายป้ายสี mm. มากมายมากมายู่เต็มเป็นคูก่กรรมกันไง <Okay. S 1> เคยทํากันมาในอดีตคู่กรรมเลยเหรอไอ้ไมาประวัติเ ร, เริ่มตนน้นสมัยที่ท่านสองคนเป็นคนไปซื้อของเก่ากันรับซื้อของเก่าแล้วมียายคนหนึ่งมีถาด ท, ทองคําหรือถาดอะไรแล้วเอาไปขาย เทวทัตเห็นกำลังมาหลอกว่าไม่มีราคาหรอกอตอนนั้นท่านท่านจ้าเล็กมาก<อ>ทั้งสองพระองค์เป็น<อ>ลูกพี่ลูกน้องกันอแล้วพระพุทธเจ้าบอกอนี่ของมีราคาอย่าย่าไปขายนะราคาที่เขาให้มานี่มันไม่ถูกเทวทัตเลยกโกรธพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่นั้นอ่อาาแล้วก็กลายเป็นคู่กัดกันมาตลอดก็เล<อ>ยกลายเป็นอัคู่อะไรกัน่ะเออ แต่งแย่งชิงดีกันแต่งแย่งชิงดีกั น, กกนตลอดแต่พระพุทธเจ้าก็เก่งกว่าเทวทัตเทวทัตก็เลยไม่ยอมมายอมในชาติสุดท้ายเนี่ยตอนที่ถูกแผ่นดินสูบเอสูังวว่าตโดนแผ่นดินสูบไปใช้กรรมหนักในในนรกขุมหนักที่สุดเพราะเป็นโทษหนักพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าใช่ หลังจากนั้นหลังจากนั้นพอใช้กรรมหมดแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าจะกลับมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปเทวท่านนี้บุญที่เขาทำยังยังยังไม่หมดแต่ตอนนี้ต้องไปใช้บาปก่อน พระอาจารย์ไปอย่างเทวทัตไปอยู่ใน่แล้วเขาไม่มียยใจยาก็ใจมันร้อนเหมือนถูกไฟไหม้ตลอดใจร้องผ<ง>มร<ง>้องให้ตลอดเวลา<ม>ทุกต ล, <อ>ตลอดเวลากินไม่ได้นอนไม่หลับใจนี่แหละใจร้อนด้วยความอาฆาตพยายบามบเครียดแค้นด้วยความเสียอกเสียใจอะไรต่างๆจนกว่ามันจะหมดกําลังพอหมดกําลังมันกลับมาเป็นใจปกติมันก็มาเป็นมนุษย์ ากายาได้เป็นมนุษย์แล้วก็จะได้ออกบวชแล้วก็จะได้เป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าต่อไปเพราะบุญเก่าที่ทําไว้ยังไม่หมดเนี่ยบุญที่ได้จากการมาบวชมาทําอะไรอย่างนี้ของก็เทวทัศน์ใช่มครัอ่าใช่ต่อไปพร ะ, พระเทวทัศนก็จะได้เป็นพระพระประเจกกับพุทธเจ้าเ แ, แต่ช่วงที่เข า, น, ธธานเกิดอยู่ก แตพระพุทธเจ้านี้เขาทำกรรมหนักมากกับพระพุทธเจ้าอะไรต้องไปตกนรกเนี่ยตอนพอพ้นจากนรกแล้วก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มแล้วก็จะได้ปฏิบัติธรรมต่อขนาดว่าพระพุทธเจ้าออกบวชพระเทวทัพท่านก็เป็นฆราวาอยู่ใช่ไหมครท่านก็ยังมาออกบวชแล้วก็ตั้งสํานักแข่งเป็นญาติกันไงเป็นเป็นเจ้าชายเป็นเจ้าชายอ่เป็นญาติกันอตอนนั้นบวชพร้อมกันห้าลูปเจ้าชาย ที่เป็นเพเป็นญาติของพระพุทธเจ้าพระอานุ์นี้ก็เป็นเจ้าชายเป็นญาติของพระพุทธเจ้าพระนุนพระพระปฏิบัติอ่พระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าเป็นหลานเป็นลูกพี่ลูกน้องกันของพระพุทธเจ้าออตอนนั้นบวชห้ารูปด้วยกันอค่ะแล้วก็ปฏิบัติธรรมบางองค์ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์บางองค์ก็ยังไม่บรรลุเี่ยพระอานุ์ไม่บรรลุรอให้พระพุทธเจ้าอ่า ตายก่อนน้ท่านถึงมีเวลาปฏิบัติสามเดือนหลังจากที่พระธเจ้าตายก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จะมีพระมีพระเทวท่านเนี่ยตายไปเพราะไปทําบาปพยายามฆ่าพระเจ้าถึงสามครั้งจิตท่านต้องมาจุดตีใหม่ใช่ไหมคะต้องต้องจำมาเกิดจะมาได้ร่างกายใหม่แล้วมามาบวชใหม่มาเป็นพระใหม่อแล้วก็จะบรรลุเขาวนี้จะบรรลุท่านบวชจุดตีเกิดเป็นพระอะไรคะ ก็ไม่รู้ละชื่อมันก็ไม่สำคัญหรอกมันก็มันก็แค่ร่างกาย ม, มาบันทึก ป, ปีใหม่ใช่มามีร่างกายอันใหม่แล้วก็มาบวชแล้วก็มาปฏิบัติธรรมแล้วพระพุทธเจ้านี้ท่านปรินิพพานไปเลยใช่ไหมคะไม่มาุึงปีแล้วใช่ไงคว่ า, านิจิตนิพพานแล้วก็พอร่างกายอันนี้ตายไปท่านก็ไม่มีร่างกายใหม่แล้วท่านก็ไปอยู่บนสวรรค์ ก็เรีย <interpret> ก <ations> ว่าสวรรค์ก็ได้เรียกว่าศาสนาพุทธที่สอนให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไปเลยนะแต่ทีนี้เราจะเชื่อได้แค่ไหนถึงว่ามันจะไม่เป็นเรื่องอันจินตายก็ให้เชื่อแบบที่พระเจ้าสอนให้เชื่อว่าทําดีได้ดีทําดีได้ถ้าถ้าจะไปทราบรายละเอียว่าวันนี้ฉันกินฉันทําอย่างนั้นทํานี้ฉันจะได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะว่ามันจะอาจินตายเพราะเราแต่เป็นเรื่องที่ไม่ควรไปคิดพอมันเสียเวลา ให้เรารู้เพียงแต่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนเพิสูจน์ไม่ได้คมายคนตองแห้งสันดาละไนอะไรไม่ได้แล้วก็ได้แล้วก็เป็นกฎแ่งกรรมแต่เราก็รู้ว่าเราควรจะคิดไปเช่นคิดว่าเราเป็นอย่างนี้เพราะอะไรชาติก่อนเราไปทำอะไรมาเราถึงเป็นอย่างนี้ไม่จบนอกจากเราไม่มีญาณหลังอย่างทราบไงแต่ถ้าเราระลึกชาติได้เราอาจจะอย่างทราบได้อ๋อชาติก่อนเราไปฆ่ากบมาฆ่าเขียดมา อันนี้ก็เลยต้องปวดฟันเจ็บฟันหรืออะไรก็ว่าไปถ้าเราคิดว่าเราเป็นสัตว์เราก็จะไม่ตามกันไม่เป็นแต่ถ้าเราคิดว่าเรา เ, เป็นพญานาคเราก็ไม่ไปไหว้ก็ ไ, ได้มันก็จะคุ้มสร้างหนึอย่างก็ให้รู้ครับรู้แบบรวมๆว่าทําดีได้ดีทำดีแล้วมีความสุขทําบาปก็ทกแทนกรรมก็มีป้าสขาเคยอเหมือนก็ว่าจิตอะเสียชีวิตไปครึ่ชงชั่วโมง แล้วเสร็จแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเขาก็จะเล่ฟังว่าจะมีคนพาเข้าไปที่ไหนบ้างที่ก็เคยทําบุญที่เขาอะไรเขาจะเจอคนที่ว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยพกคนมาขออาหารขออะไรอย่างี้ป้ามาไลา่ฟังเราก็เอ๊ะแต่ป้าเราต้องไม่โกหกเพราะฉะนั้นเราพิสูจไม่ได้แต่มันอาจจะมีจริงว่าเราทําอะไรไปแล้วเราอาจจะได้งน้นกลับคืนมาเดี๋ยวป้าชอบทําบุญที่ชอบสร้างสตชิชอบนู้ชอบนี้ ท่านก็จะมีคนพาไปแล้วก็ท่านบอกเหนื่อยก็จะมีคนพาไปพักแล้วพาท่านกลับมาที่ร่างเดิมก็อาจจะยังไม่ถึงขาที่จะจะตายเองแต่มราพิสูจน์ได้ใช่ไหมคะมแต่พ่าป้าไม่รู้ อดีตป้าเราพระพุทธเจ้าบอกว่าใครพูดอะไรก็ให้ฟังหูไว้หูถ้าเราไม่เข้าใจครึ่ชั่วโมงการรำลึกสูตรท่านบอกว่าใครพูดอะไรอย่าเพิ่งไปเชื่อร้อยเปอร์เซนตจนกว่าเราจะพิสูจน์ได้ก็คือหลานโป้เนี่ยเขาเป็นเจ้าชายนิทราประมาณสามวันอืมเขาเหมือนว่าท้องเสียแล้วไปหาหมอแล้วหมอวิชิยาอะไรแล้วก็ช็อกแล้วก็สลบไปเลยสามคืม แล้วก็พอฟื้นมาแล้วเขาก็เล่าให้แม่เขาฟังว่าเขาไปเจอเหมือนไปเจออะไรเหมือนนอนฝันอยู่ไปอะไรอย่างนี้ค่ะอืมค่ะอันเหมือนเรานอนหลับแล้วมืนเาประโจนิใครว่าเาไปเจอแล้วเรานอนหลับนี่เราก็กาลังไปิวิญญาณออกร่างใช่ก็ไม่ได้ออกเพียงแต่ว่ามันมันไม่ได้มารับรู้อะไรผ่านทางร่างกายร่างกายไม่ทงานอ่ามันก็เลย มันก็เลยเอาเอาความรู้ที่มันได้จากบุญจากกรรมมาอืเลยยเเนี่วลาเรานอนหลับเนี่ยใจเราไปนรกไปสวรรค์แล้วรู้่ะถ้าฝันดีก็ไปสวรรค์ฝันร้ายก็ไปนรกไปอบายจะฝันดีฝันร้ายก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทําไว้เขาฝันดีอออืเขาบอกว่าไปเจอเหมือนเทวดาใส่ชุดขาวนอะไรอย่างบนว่า ย, ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึงชาตุนอนืมได้ งั้นพยายามทําบุญไว้แล้วเวลานอนหลับจะฝันดีเวลาตายไปก็จะเวลาตายก็เหมือนฝันนะอ่ะเพราะตอนนั้นไม่มีร่างกายแล้วพอเราได้ร่างกายใหม่ก็เหมือนเราตื่นขึ้นมาใหม่เี่ยเราเปลี่ยนร่างอยู่เรื่อยเหมือนเหมือนเหมือนกับเปะแทนนี่จะต้องมาเปลี่ยนอวัยวะทีละอันสองอันเปลี่ยนมันทั้งอันทั้งล่างเลยดีกว่าเวลาเราตายเนี่ยพอเราพอเราตายก็เหมือนเรานอนหลับแล้วเราก็ฝันไป แล้วพอเราตื่นขึ้นมาเราก็ได้ร่างกายอันใหม่ให้เราเชื่อบุญเชื่อบาปให้เรารู้ว่าตัวที่ไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงแต่ลูกๆกน้องเป็นผู้รับใช้เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึง่งร่างกายไปก็เป็นเศษดินเศษละลไปร่างกายเป็นเศษดินไ ป, ปนนแต่แตใจยังเป็นใจเหมือนเดิมอยู่ตรงจิตคือผู้รู้ผู้คิดยังร่างกายให้บ อ่าดีถ้าถ้าเก่งจริงต้องถวายตอนนี้เลยให้เข้ า, าไปเลย <c oughs> ตอนนี้มีประโยชน์สิคะเราอตอนนี้เราจะ <ๆ S 1> ไม่มีเราต้องทดลใช้ก <c oughs> ารนอนหลับรู้เปล่าถวายแบบนี้ไม่ได้บุญนะเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้เสียสละตอนที่เราเป็นไงแล้วถ้าเป็นจะเป็นบุญต้องเสียสละตอนที่เราเป็นก็ดวงตาเนี่ยเขาไ้องหมอก่อนปะ ก็เอาตอนนี a a like ้เลยอ่ะครัย่างคนที่เขาสละตายให้ั่นเข้าแบ่งตายให้คนอื่นแบบอันหนึ่งเนี่ยเขาได้บุญอย่างเงี้ยเขาได้บุญเน่ยแต่เพราะเขารู้เนี่ยว่าเขาได้เสียสละตายเข้าไปแล้วแต่เวลาเราตายนี่เราไม่รู้แร้วว่าร่างกายของเราเป็นอะไรจะไปไหนอาจารย์นะอย่างสัพนารุนีจะมีแบบท่าน ทานผักแต่ไม่ทานผักใช่ไหมคะไม่เกี่ยวทานทั้งสองอย่างก็ทานได้เนื้อก็ทานได้มีมีบางที่นะคะเขาสอนว่าเขาเขาตอนได้ยินมานะคะบอกว่าคนที่ไม่ทานเนื้อสัต์เนี่ยไม่ใช่ว่าทําบุญนะไม่ได้บุญนะก็เห็นไหมควายเขาก็ยังกินหญ้าออย่างงั้นเขาก็ อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะงงเอ๊ะยังไงก็เห็นมีเทศกาลกินเจและกินเนื้อสัตว์แก็สอนให้คนทําบุญคืออีกอีกอีกอี ก, อ ก, อ ก, อ ก, อกสํานักหนึ่งก็บอกว่าคนที่กินกินเจนี่นะคนที่กินผังนี่ไม่ใช่ว่าทําบุญนะไม่ได้บุญนะเห็นไม้ควายก็ยังกินหญ้าอย่างนั้นควายกินหญ้าก็ได้บุญสิแล <laughs> ้วก็เปรียบไปรู่อุ้ย <laughs> <laughs> เราก็เร า, เร า, เราไม่ได้ว่าเออนี่นี่ทานเนื้อสาตว์แล้ว ไม่สามารถทำบุญได้ไม่ใช่ไม่ใช่แนตี้นั้นแต่หมายถึงว่ามีมีมีสำนักหนึ่งเขาสอนมนุษย์มาว่าถ้ามนุษย์ที่ทานผักไหนอย่าคิดว่าตัวเองได้บุญนะอไม่ได้บุญเพราะว่าดูควายสิควายก็กินหญ้าได้บุญไหมล่ะควายก็ได้บุญสิอย่างนั้นบุญเกิดจากการไม่ฆ่าก็จะมีความหมายคือสมัยก่อนไม่มีตลาดไง ใครจะกินอาหารก็ต้องไปหาผักหาปลาหาอะไรถ้าถ้าถ้าไม่อยากจะทํำบาปอยากจะได้บุญก็อย่าไปหาปลาหาสัตว์มากินหาแต่ผักมากินข้อหนึ่งคือห้ามฆ่าตานั่นแหละเขาก็จะได้บุญเพราะเขากินแต่ผักเขาไม่กินเนื้อสัตว์เพราะสมัยก่อนคนที่จะกินเนื้อสัตว์ต้องฆ่าเองอาจย์กระจ่างแล้วล่ะอาจารย์บอกว่าการที่เราไม่ฆ่าสัตว์เรารักษานข้อหนึ่งเราไม่ไปเบียดเบียนชีวิตอแล้วเราก็ไม่ฆ่าเขาเรา กินผักนี่ก็ถือว่าเราทําบุญเหมือนกันแต่แต่ถ้าเขาตายแล้วเรากินเขาก็ไม่บาปค่ะไม่เป็นไรอันนั้นสาระไม่ไม่ได้แอนตี้ว่าเออคุณทานเนื้อสัตว์แล้วคุณไม่ใช่นักบุญนะสาระไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่หมายถึงสาระได้ยินสํานักหนึ่งซึ่งเร็วๆนี้สาระกําลังนั่งทานผักอยู่แล้วรสสาระก็มีญาติธรรมทานทานผักเหมือนการทานเจแล้วเขาบอกว่าสาระบอกว่าเนี่ยเรา เราทานเจมื้อหนึ่ง เ, เขาบอกว่าเร า, เราช่วยชีวิตสัตส<า>ัตมนุษอสัตว์ได้ไดห้หลายหลายหลายตัวเลยนะ <ừ> อะไรอย่างเงี้ย <ừ> <ừ> เอ่อพวกแม่ครัวที่เขาทำอาหารเจขายอะ่ะ <ừ> เขาบอกว่า ไม่ได้บุนโอ๊ยเราก็งงฮะ <c oughs> ตายแล้วเราจะต้องมีคําถามไปหาผูรู้ผู้รู้แล้วเพราะว่าเราเริ่มงงแล้วเอ่ ย, ยังไงสำนักนี้บอกซื้อศีลกินเจเป็นการทําทํา ท, ทานปล่อย <c oughs> ชีวิตสัตว์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างเทศการเจ <c oughs> ที่เขาทํากันไม่หรอการกินกอย่างพระพระอย่างสายเชลวาา <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> สายมหาญาณเทรวาทที่สวดมนต์จีนเขาจะทานทานผักเยอะใช่ไหมคะแล้วก็สายนี้ก็ทานฉัำเนื้อสัตว์ได้แต่ว่าท่านไม่ได้ฆ่าอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรตาล่าไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าตาล่าจะมางงตรงที่ว่าคุณทานผักคุณไม่ได้บุญตรงนี้่ประโยคที่มันอยู่ที่มันอยู่ที่การการกระทําฆ่าหรือไม่ฆ่า การรับประทานอะไรไม่เกี่ยวถ้าเราไม่ได้ไปฆ่า<ม>เราก็ไม่บาดถ้าเราไปฆ่าก็บาอื <c oughs> มันก็เหมือนกเจตนาที่เราไม่ได้ต้องการให้เขาตายใช่ไหยคะ<ม>แต่สมมติว่าถ้าเราไปทานอะไรที่เขาเป็นเต็มเนี่ย<ม><ม>เราคุณพี่ชี้ฉันจะเอาตัวนี้ตัวนี้อย่าบาดแหละ<ม><ม>เพราะว่าถ้าไปฆ่าตัวนี้เพื่อให้เราอืแต่ว่าทำไตายแล้วก็<ม><ม>ทำเป็นอาหารแล้วใช่เพราะว่าถึงถึงเราถึงว่าไม่กินเขาก็ตายอยู่ดี ไม่เกี่ยวแม้ตอนแรกเขาพูดนะเขาบอกวตายก็บอกว่าเขาข อ, ววาอ้าเราเราเรากินเนื้อเนื้อเรากินผักนี่เราไม่ได้บุ่กันนะอย่าคิดว่าเราได้ปุ่มนะลองรู้ควายเด็กควายแล้วกินแต่ผักอุ้ยตายฉันเป็นควายแล้วตอานี้ะุ่นเปียกเป็นควายซะแล้ ว, ล ว, ลวอ๋อถามสะดุดเลยค่ะสะดุดจริงจคือ คือมันเป็นความชอบของแต่ละบุคคลด้วยสมมุติว่าคนชอบทานผักเขาก็จะทานผักต่อเนื่องใช่ไหมคะอก็เขาก็ถือว่าเขาทาบุญทางอ้อมเทวดาไทยก็อยากจะสัตว์ชีวิตค่ะแต่ว่าถ้าสินข้อหนึ่งไม่ถ่าตัดตัดชีวิตเหียดเยียนถือสินห้าเราจะได้บุญเยอะเขามาตอนนี้ซื้อสินอ่าถือสินไม่ต้องกินเจก็ได้ถือสินไม่ต้องกินเจถ้ากินเจไม่ถือสินก็ไม่ได้บุญ ถือศีลห้าค่ะต้องถือศีลหนึ่งจะได้บุญการกินเจไม่กินเจไม่ได้บุญไม่เกี่ยวกัน ถ, ถือศีล ห, ห้าได้แล้วได้บุญเยอะตายไปไม่ไปเกิดในอบายเอแล้วมีข้อดีนะคะถ้าโกหกแล้วทําให้คนสบายใจ นี่ผิดสิ่ปะะก็เผิดเนี่ยก็โตหอบถ้าพูดตามจริงแล้วเกิดอะไรไม่สบายใจก็เรื่องของเขาเห็นไม่สบายใจมันชมีจะบอกความจริงแต่ภรรยาเขาตายในเดี๋ยวนี้แต่ถ้าเราบอกคนแก่ว่าคนนี้ตายเขาอาจจะช็อกไปเลย เราถ้าเกิดเราเราโกหกแล้วเราไปติดคุกให้เขาเนี่ยเราย็นดใช่ไหมใช่ไหมับญากคือเขารักหลัมากเลยถ้าเกเไปบอกเขายากิคือโลกใบใหญ่ญาตอตายาิชอกก็ไม่บาปถ้าพูดถ้าพูดถ้าพูดผิดก็บาปถ้าโกหกบาปทั้งนั้นอ่ะไม่ว่ามองเราเจันาดีแล้วไม่ดียังไงมันก็ผิดเข้าใจไหอ อาจารย์คะอาจารย์รักษาศีลกี่ข้อคะข้อเดียวข้อเดียวนี่บ้าลบหลู่ท่านแต่ว่าอยากอยากรู้นะคะว่าก็ข้อเดียวไงใช่ข้อเดียวสองร้อยกว่าไม่ใช่หรือคะอันนั้นอันนั้นมันปลายอันนั้นมันศีลที่ปลายแล้วรับศีลที่ต้นรักษาที่ต้นรักษาใจตัวเดียว ถ้าใจสงบแล้วยังตอนนี้โยมมีมีศีสินครบทุกข้อเลยใช่ไหมอ่าตอนนี้ขโมยหรือเปล่าข้าวเปล่ารักษาพวกเปล่าไม่าะงั้ก็มีศินอยู่เพราะตอนนี้ตอนนี้แต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ใช่เลยไม่ได้ทํำบาปเลยไม่ใช่เลยค่ะเดี๋ยวนี้ยเดี๋ยวเนี้ ตอนนี้เหรอคะน่จะยังเรียบร้อยใช่ไหาแ้วฆ่าสอตรือเปล่ารักษาหรือเปล่าประพฤติดตอนนี้นี่่ะก็แสดงว่ามีศีน้ำตรนี้เพราะรักษาตัวเดียวไงรักษาใจถ้ารักษาใจได้ก็มันก็จะรักษาไปได้ตลอดใช่ค่ะอยู่ที่จิตใจจริงๆถ้าไม่ถ้าไม่หนักแน่นจริงๆไม่ไม่ขัดเกาจริงๆ ถ้าใจไม่มีกิเลสแล้วมันจะไม่ทํำบาปโดยเด็ดขาดต้องตรวจดูใจตัวเองตลอดงั้นเราก็ได้ข้อสรุปแล้วนะว่ามารักษาสีลที่ใจยอดเยี่ยมมากเลยค่ะทางใจแมว่าพบนี้หรือพบหน้าเราเหลือแต่วงจิตเราก็ต้องรักษาตัวเโอเคยอดเยี่ยมอันนี้ก็ขอยุดขอยุติการเสนอทำไห้แค่ได้ก่อนนะอ่าจะให้พอแล้วนะเออจะกลับแล้วหรือคะ ก็ยังคนอื่นก็อยากจะกลับก็จะได้กลับแล้วคนอื่นก็อยากจะเข้ามาถวายของเราแบ่งเปนสองช่วงไงช่วโมงแรกกับช่วโรงที่สอง ตอนนี้ชั่วโมงแรกก็หมดแล้วอ้าอยากจะอยู่ต่อก็อยู่ได้หรือกุชชาร์ดก็ถือได้การจะสามอุติกี่โมงครับ4โมง4โมงงั้นเดี๋ยวจะอยู่ถึงห้าโมงกูเล่นก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวยังไม่ลงซาลาเลโกหกรับพรนะ ยะถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสาคขังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปิชิตังตุมหังคิปปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติ อระโสยะถาสัพพิโยวิวาจันตุสัพพโลควินาศตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโยโวะอภิวาทนสิลิตสนิจังวุทฒาปจายโนจตารุธรรมวัฏานติอายุวโนสุขัง พาล่าจำมันนสารชื่อเราไปโชว์โลกกันนะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ถ่ายท่าสนนะไปโชว์โลกกันเ่ยโอ้โหถ้าบอลนก็่ดีอ่ะนไปมีเดียเป็นยูทูบเคบ่อนตาหมดแล้วเนี่ย สัตว์ได้มดีลยวันี้วันนี้สัตวอยากอยากอยาคุยสัตว์แบบให้สบายๆน่แหละสบายสบายเราไม่ต้องเกรงมากอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีคาถามซึ่งซึ่งลองไมได้พาทิงถึงไทยคงไม่เจออะไรเนาะไม่ได้พาติงนะใครไม่ได้เยชื่อใครไม่ด้เล่ยชื่อคุณป้อยอยู่ใครอยากจะอวะมาด้วยกันคุณป้อยเรนั่งรถคันเดียวกันแล้วกัน เ<ข>วันนี้ก็ อ, อะไรจะลาแล้วเหร อ, อ ไ, ออไม่ไม่จะให้คนเขาเข้ามาถวายของใครอยากจะกลับก็กลับได้คใครอยากจะอยู่ก็อยู่ต่ อ, อะ <c oughs> วันนี้สบายไม่ต้องพูดมาก <c oughs> <c oughs> วันนี้ขอพักสักวัน <c oughs> อะอยากยังเขา คอเมนต์อ่านไปให้คนฟังมึงกันหนะอยที่เขาพูดเกี่ยวกับวันนี้อไปเลยคุณซาล่าคะอยากฟังทำผ้าจานอ่านต่อไปมีอะไรอีกขอดูหน้าคุณซาล่าหน่อยครับกลับไปแล้ววันนี้ไม่ได้ฟังําจากผ้าจารย์เลยมาจากไหน น, นี่ยะทำธรรมจัดสรรวันนี้ไม่มีอะไรแน่นอนถ้าถ้าอยากราจะทุกข์ถ้าไม่อยากก็ฟังไปตามมีตามเกิดก็จะไม่ทุกข์ก็เป็นเรื่องสนุกไปอันนี้ดูนิวันนี้ดูละครตลกไปวันนี้เป็นลกเป็นชาติ พอดีมันเรื่องมันพาไปก็เลยเอ้าแล้วมีอะไรอยากจะระบายก็ก็ระบายไปนะเสียเงินไปกี่ล้านเนี่ยเขาบอกห้าสิบล้านเนี่ยเนยมีงา น, นเนี้ทุกไหมเนี่ยเนี่ยมีทรัพย์แล้วทุกไหมอา่อาอ่าไม่มีแล้วไม่ทุกขลยไหมอา่าคนอา่าอนที่ว่ามีทรัพย์แล้วมีความสุขเนี่ยมันมีตอนได้ตอนมันเสียมันทุกอ่ะ อยา่างไปมีมันดีกว่าไม่มีแล้วก็ไม่ทุกเพราะไม่มีอะไรอยู่เสียตอ <laughs> นนี้ยังยังมีแฟนนะมีแฟนเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวเสียแฟนเดี๋ยวก็ต้องเสียแฟนมีแฟนจะไม่ยามเสียแฟนเดี๋ยวถึงเวลาเสียจะทุก <c oughs> ถ้าไม่อยากจะทุกก็เสียแค่ตอนนี้ไปเลยยอมเสีย <c oughs> อย่าไปถือ <c oughs> ว่าเขาเป็นแฟนเราเจ้า อาจะไปเป็นของไขรก็เรื่องของเขามันก็ประาเลยหมดแล้วเหรอคำมำนีมไม่มีเลยก็หายไม่ได้แล้วควรไปถามตอนที่ไม่ถ่ายท่อสดนะคะเขาไม่รู้ว่าถ่ายท่อส่วนเขาไม่รู้เขาก็มาครั้งแรกก็บางทีก็มีหลงมาบ้างแบบพวกที่อย่างที่มุฮานิเทศในฟังพวกที่ไม่รู้กาละเทษะ เขาไม่เคยไปฟังเทศฟังธรรมตามสำนักปฏิบัติใหญ่ใหญ่ก็ไปหาพระแล้วพระก็มักจะคุยตลกไปกับเขาเขาก็เลยคิดว่าเราก็ตลกไปกับเขาเราก็เลยต้องตกกระไดพลอยโจนไปไม่เห็นความไม่ตาของพระอาจารย์เนี่ยครไม่หรอกเห็นความสบายใจของเราวันนี้ไม่ต้องเทศไม่ต้องเครียดกับการเทศได้พักผ่อนอย่างวัน งั้ต้องเททุกวันต้องเครียทุกวันเอาแต่เรื่องเครียดเคียมาให้ฟังกันซอำซ้ๆซักซาวันนี้ก็เป็นวันนี้เป็นธรรมอีกรูปแบบหนึ่งถ้าเราฟังเป็นอะไรมันก็เป็นธรรมหมดแล้วดูมันจะย้อนกลับมาให้เราดูที่ใจเราเน่ย ใจเราเป็นยังไงถ้าใจเราวุ่นวายก็แสดงว่าเราไม่มีธรรมถ้าใจเรายิ้มได้หัวเราะได้แสดงว่าเรามีธรรมเราไม่ยึดไม่ติดทําแบบไหนก็ได้ธรรมะก็ได้ทำเมาก็ได้วันนี้เป็นวันทำเมาไม่วันธรร ม, มเหมือนคนเมาคุยกนะันอะเรียกว่าทำเมา น้องปู่แบนน้องปู่แบนท่านเคยสอนว่าระวังนะ่ะคุยกันเรื่อยๆเดี๋ยวจากธรรมะมันจะกลายเป็นธรรมเมาถ้าคุยแล้วแบบไม่มีใครคุมมันก็จะเป็นธรรมเมาไปมีคำถามไห ม, มวันนี้เฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่วันนี้เฟ e บุ๊กสูงสุดสามร้อยห้าสิบหกค่ะสมร้อยห้าสิบหกทางยูทูหนึ่งร้อยแปด ถ้ามีคําถามก็เข้ามาเลยตอนนี้เอาธรรมะละธรรมเมาหมดละพวกคี้มเมาหมดไปละคําถามจากคุณนวพรถ้าเราทําบุญแล้วอุทิศส่วนบุญให้กับญาติที่เสียชีวิตไปแล้วถ้าสมมุติว่าวิญญาณไปเกิดในร่างใหม่แล้วไม่ใช่วิญญาณแล้วเขายังจะรับส่วนบุญที่เราอุทิศให้เขาจะได้อีกไหมคะเอ่อไม่ละเขาไม่รอรับละเขาได้บุญเขาสามารถหาบินของเขาเองได้นะ บุญนี่เป็นอาหารของใจไงแต่พอเขามีร่างกายเขาก็สามารถหาบุญของเขาเองได้เขาก็เลยไม่มีจําเป็นไม่มีความจําเป็นจะต้องมารอรับส่วนบุญของเราเหมือนคนที่ตกงานก็ต้องรอรับบุญใช่ไหมไม่มีเงินต้องรอเงินของคนอื่นส่งมาให้แต่พอเราได้เงินเดือนได้งานทําได้เงินเดือนของเราแล้วเราก็บอกไม่ต้องส่งมาแล้ะเราตอนนี้เราหาเงินเองได้นะ้บุญก็แบบนั้นอนะ่ะพอมีร่างกายเราก็ไปหาความสุขของเราเองได้แนละ้ะ อยากจะไปเที่ยวที่ไหนใบดูไปฟังอะไรก็ทำเองได้นะแต่ตอนที่ไม่มีเนี่ยต้องอาศัยคนอื่นส่งเงินไปให้ส่งบุญไปให้คำถามจากคุณประกรณ์วิทย์นั่งสมาธิทุกวันรู้สึกตึงๆ ต, ตรงหน้าผากจะทำยังไงให้หายครับ อ, อ๋อไม่หายหรอกอย่าไปสนใจมันถ้าจิตสงบแล้วมันก็จะหายเองตอนนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสมันพยายามที่จะสร้างความรู้สึกไม่ดีมาขัดขวาง แม้เวลานะนั่งสมาธิทีไรรู้สึกอึดอัดขึ้นมาเตนทีนะแต่ถ้านั่งดูหนังนี่ไม่รู้สึกอึดอัดเลยดูได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเถิดเพลินแอนย่าไปสนใจมันเลยมันเป็นกิเลสสมานคำถามจากักคู่ไม่ประสงค์ออกนามคนที่มีสติตลอดเวลาเมื่อเวลาตายไปแล้วจิตจะรู้ตัวตลอดเวลาใช่ไหมคะ แล้วเราจะมีความสามารถควบคุมจิตให้ไปเกิดตามที่เราต้องการได้ไหมคะได้ถ้าจิตมีสติตลอดเวลาจิตมันก็จะสงบมันก็จะสงบมันก็จะไปสู่ที่สงบไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆแต่ถ้าเวลาใกล้าตายนี่มันจะถ้าไม่มีสติตนี้มันจะมันจะวุ่นนะมันจะวุ่นมันก็มันก็จะไปไม่ดีไปอบายคำถามจากคุณวิจเจริญ ฟังแล้วดิฉันก็นึกไม่ดีบ้างอย่างนี้คือเราสอบไม่ผ่านใช่ไหมคะใช่เราไม่ได้ดูเฉยๆสักแต่ว่ารู้เราดูแล้วก็มีอคติต่อสิ่งที่เราดูรั ก, ล, ก, กลักก็ว่าดีพอไม่ไม่รักไม่ชอบก็ว่าไม่ดีเนี่ยเรายังต้องผัดสุดใจเราให้มากตามที่พระเจ้าสอนบอกเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินทําไมเราต้องไปดีใจเสียใจไปกับสิ่งที่เราเห็นได้ได้ยินด้วยใช่ไหม คำถามจากคุณจงกงพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิทําไมรู้สึกวูบไปทั้งตัวเสียวซ่านต้องทํำยังไงครับไม่เป็นต้องทําอะไรให้รู้เฉยๆรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ภาวนาต่อไปอย่าหยุดภาวนาจนกว่ามันจะนิ่งสงบมีความสุขมากแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงก็ให้มันอยู่อย่างนั้นไปนานๆค น, านถามจากผู้ฝากถามค่ะนั่งแบบไหนเป็นการทําสมาธิ และนั่งแบบไหนเป็นเป็นแบบกรรมฐานไหมคะนั่งสมาธิก็นั่งให้ใจหยุดคิดไงไม่คิดอะไรให้พุโทโธพุโทโธไปหรือดูลมไปอย่างเดียวถ้ามันคิดก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามคิดให้คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะรวมเป็นหนึ่งแล้วมันจะไม่คิดความคิดจะหายไปเนี่ว่านั่งสมาธิถ้านั่งกรรมฐานก็นั่งพิจารณาใจรักใช่เวลานั่งแล้วเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมา ทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็พิจารณาแยกเวทนาออกจากใจออกจากร่างกายให้ให้ให้มันรู้ว่ามันอยู่ที่ตรงไหนเวทนามันเกิดที่ร่างกายใจนี้ไม่ใจเป็นเพียงทู่มารับรู้เวทนามารับรู้เรื่องของร่างกายใจไม่ได้เป็นใจไม่ได้เจ็บไปกับเวทนาเวทนาเจ็บอยู่ที่กายใจต้องเฉยเฉยปล่อยวางถ้าไม่ปล่อยวางใจจะทุกข ถ้าอยากให้ความเจ็บหายไปในใจจะทุกข์แต่ถ้าเฉยๆอะมึงจะเจ็บก็เจ็บไปไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของร่างกายร่างกายเขาไม่เดือดร้อนแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ามให้เขาหายไมใ่ให้ความเจ็บหายไปก็ไม่ได้แต่เรายังต้องอยู่กับเขาเหมือนเราดูหนังอะดูหนังเขาก็ฉายหนังไปเราไปเห็นตอนที่เราไม่ชอบดูเราก็ไปห้ามให้เขาหยุดฉายไม่ได้เราก็ดูไปเฉยๆเราเพียงแต่เป็นคนดู ใจเป็นผู้รู้ท่านนั่นเองแต่ใจไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายก็เลยทุกเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาพาะอยากจะให้หายพอไม่หายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมามีทุกข์สองชั้นเนี่ยทุกข์กายที่เกิดที่เกิดจากการเจ็บเวลานั่งแล้วก็ทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากให้มันความเจ็บหายไปทุกข์ใจนี่เรเราเราดับมันได้ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย เรารู้ว่าเราเป็นใจเราเป็นเพียงแต่ผู้ดูความเจ็บของร่างกายถ้าเราดูเฉยๆไม่มีความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปเราก็จะไม่ทุกข์แล้วต่อไปเวลาร่างกายเจ็บปวดขนาดไหนเวลาจะตายใจจะไม่ทุกข์เลยเพราะใจสามารถแยกตัวเองออกจากร่างกายได้เพราะรู้ว่าเวทนานี้มันเป็นของร่างกายไม่ใช่เป็นของใจส่วนทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากของใจเองที่ไปอยากให้ เวทนาทางร่างกายหายไปซึ่งไปสั่งไม่ได้ห้ามไม่ไดมนนาา้มันเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดียเด๋ยวกกเดี๋ยวทุกข์แลเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็สลับไปเราจะไปสั่งไห้สุขอย่างเดียวก็ไม่ได้ <differently. é. S 1> มันมันไปไ ป, ไปมามาขึ้นขึ้ น, นลงล ง, ลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใจเราก็ให้รู้ทันแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันใจก็จะไม่ทุกข์ใจถ้าใจไม่ทุกข์แล้วความทุกข์ทางร่างกายจะขนาดไหนก็ ใจรับรู้ได้ใจไม่เดือดร้อนเนี่ยพระพุทธเจ้าพานานเวลาตายนี่ใจท่านเฉยเฉยแต่ร่างกายท่านปวยนะเหมือนคนธรรมดาทั่วไปร่างกายของพระเจ้ากับร่างกายของพวกเรานี่เหมือนกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บเหมือนกันเวลาเป็นไข้ก็เป็นเหมือนกันแต่ใจท่านไม่ไม่เป็นเท่าไหรใจท่า น, น, นเฉยอย่างพวกเรานี่หมอบอกจะสียาท่านนี้ใจไปก่อนแล้วใช่ไร่างกายยังไม่ทันเจ็บเลยใจไปก่อนแล้ว หรือไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งเดี๋ยวต้องไปทําคีโมเดี๋ยวต้องผ่าตัดเนี่ยยังไม่ทันผ่าเลยใจไปละใจทุกไปก่อนอะเพราะใจไม่อยากไม่อยากให้เกิดเกิดการผ่าตัดไม่ต้องการความผ่าตัดไม่ต้องการให้ไปทําคีโมีเพราะใจมันทุกข์ขึ้นมาเพราะความอยากหรือไม่อยากของดีก็อยากได้ของไม่ดีก็ไม่อยากได้พอไม่อยากได้ก็ทุกข์พออยากได้ก็ทุกข์ ถึงสอนมาให้มาหยุดความอยากทั้งสองเนี่ยความอยากได้ก็เรียกว่าภาวะตันหาความไม่อยากได้ก็เรียกว่าวิภาวะตันหาถ้าเราตัดสองตัวนี้ได้เวทนาจะเป็นทุกข์อย่างไรเราก็เฉยเฉยเราก็ไม่ทุกข์กับมันเหมือนกับเหมือนกับตอนที่ไม่มีเวทนาเราก็อยู่กับมันได้สบายนี่เรียกว่านั่งกรรมฐานนั่งให้เกิดปัญญาต้องนั่งตอนที่มันเจ็บกรรมฐานตอนที่มันเจ็บถึงจะ ถึงจะได้เป็นกรรมฐานถ้ามันนั่งเฉยๆแล้วไม่เจ็บนี้มันไม่มันไม่สามารถเดินเดินปัญญาได้กรรมฐานนี้จะต้องมีทุกถึงสามารถจ ะ, จะเดินปัญญาได้ถึงแม้ไม่นั่งมีทุกอย่างเมื่อกี้เนี่ยคนที่ก็บอกทุกเพราะถูกโกงเงินไป5้าสบล้านอะไรนี่ตอนนั้นใจก็ทุกข์ละถ้าเขาใช้ปัญญามาพิจารณาว่าเงินมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้ สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันอยู่สั่งให้มันไม่ไปไม่ได้แต่เวลามันจะไปมันก็ไปเรื่อๆอย่างนั้นห้ามมันไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันไม่ไปเราก็ทุกข์เพราะมันไปแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าไปแล้วก็ไปห้ามมันไม่ได้ยอมรับความจริงยอมรับว่ามันไม่เที่ยงมาแล้วก็ต้องมีไปห้ามมันไม่ได้ถึงเวลามันจะไปก็ห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันกลับมาก็มันก็สั่งไม่ได้ถ้าอยากให้มันกลับมาก็ทุกข์ ถ้ายอมรับว่ามันไม่กลับมาแล้วก็ไม่ถูกแสดงว่ า, านี่ก็คือปัญญากรรมฐานอ่าฐานบางเรื่องทุงกขลักลนี่คือการการเข้าหรือเข้าไปหาทุกเองเรื่อเรื่งงองใช่ต้องถามหาข้อสอบเองไงถ้าไปรอข้อสอบมั ไ, ไม่ถึงอ่ะก็คุณไม่เตรียมซ้อมไว้ก่อนเนี่ยนักมวยมันงั้นไปขึ้นเวทีก็ถูกก็นอกก็เสียถ้าไม่ซ้อมไว้ก่อนแมาว่าถ้าถ้ายังไม่ระบาดก็ต้องไป เนี่ยถ้าถึงไปอยู่ในปา่าแบบอืจะได้ฝึกจิตให้อยู่กับความทุกข์ยากลําบากได้เพราะต่อไปเวลาแก่เวลาเจ็บมันก็เหมือนมันก็ต้องทุกข์ยากลําบากแต่ถ้าเคยชินแล้วมันจะไม่ทุกข์ทางใจมันก็จะเฉยเฉยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราต้องซ้อมก่อนเหมือนนั่งมวยไม่ใช่มาขึ้นเวทีแล้วก็ซ้อมก็ถูกก็นอกเอาเนี่ยแต่ไม่ใช่เรื่องว่าตึงเกินไปหรือเปล่าตึงยังไงไม่ตึงหรอก ไอ้ถ้าตึงตึงก็คือว่าแบบว่าทําแบบไม่มีปัญญาทําแบบใช้ขันติตัวเดียวเนี่ยตึ ง, งเพราะมันไม่มด ไ, ไ, มได้มันใช้ไม่ถูกทางเนี่ยมันต้องใช้ด้วยปัญญาใช้ขันติไม่ได้ขันติไม่แก้ปัญหาขันติสนับสนุนต้องมีขันติอดทนในระดับหนึ่งที่จะได้ฟันสู้กับความทุกข์ด้วยปัญญาได้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาใจรักษพิจารณาเวทนาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข เพราะเราอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นตามคําสั่งของเราแต่เราสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันหายไม่ได้เวลามันเจ็บให้หายไปสิหายไปเลยมันไม่หายพออยากให้มันหายกใจก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ทอรู้ว่าสั่งมันไม่ได้ต้องอยู่กับมันออยู่ก็อยู่เหมือนแฟนเนี่ยอยากจะให้เขาไปก็ไม่ไปก็ต้องทนอยู่กับเขาไปถ้าอยู่กับเขาไปยอมรับว่าเขาไม่ไปมันก็ไม่ทุกข์ แต่ถ้าอย่างอยากให้เขาไปเจอหน้าทีไรก็ทุกทุกทีไม่ไม่เจอหน้าคิดถึงเขาก็ทุกแล้วเพราะอยากให้เขาไปเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันไม่ว่าเวทนาไม่ว่าคนไม่ว่าลูกว่าเสียงว่าเกิเวทนาก็มาจากผลทพะเนี่ยสัมผัสทางร่างกายร่างกายเจ็บมันก็เรียกว่าผลทพะชนิดหนึ่งนะอยมันก็ทำให้เกิดเวทนาขึ้นมาบางทีไม่ได้ร่างกายไม่เจ็บเห็นภาพที่ไม่ชอบก็เจ็บใจขึ้นมาแ เห็นภาพของคนเจอคนที่ไม่ชอบนี้ใจมันก็เจ็บล่ะใจก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วเกิดทุกข์ก็เวทนาขึ้นมาแล้ว <c oughs> เราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าทุกอย่างมันมันเป็นของมันอย่างนั้นเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะมาก็มามันจะไปก็ไปถ้าเราอยากจะอยู่อย่างสบาย <c oughs> ก็อยู่แบบใบน้าน้าหยดน้าบนใบบัว เราไม่ไปซึมไปรับมันเข้ามาในใจเราให้รับรู้เฉยๆอย่าไปเอาเข้ามาเป็นของเราพออะไรเป็นของเราแล้วมันจะอยากพออยากแล้วมันจะทุกข์แต่ถ้าไม่เป็นของเราไม่ทุกข์ใช่ไหมเห็นคนอื่นเห็นแฟนคนอื่นเห็นสามีคนอื่นก็เราไปทุกข์กับเขาอะเพราะเราไม่ไปอย่างเราไม่ได้มาถือว่าเขาเป็นของเราเราไม่ได้เอามาเข้ามาในใจเราเอาเป็นแต่สัมผัสรับรู้ว่าเออเขาเป็นแฟนของคนนั้นแฟนของคนนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นแฟนของเรา เขาจะไปทำอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนแต่พอเราไปบอกเขาเป็นแฟนเรานี่เดือดร้อนขึ้นมาทันทีไม่เป็นหยดน้ำบนใบบัวเป็นหยดน้ำบนกระดาษรับซึมกันไปเป็นเนื้อเดียวเลยอเป็นของเราไม่ต้องไปคิดว่ามีตเปนเราไม่มีอะไรเป็นของเราก็พอไม่มีอะไรเป็นของเราถ้ามีเป็นของเราแล้วมันทุกข์เพรมันไม่ได้เป็นของเรา อาใจไหมอ่ตอบคาถามยาวหน่อยวันนี้อาจร่ผมถามเุ้งทโสดาบันเนี่ยอาจารย์คิว่าไม่รู้กับวามเจ็บกความตายเนี่ยคือขับพิีรารอบหนึ่งถึงสองรอบเนี่ยคือเราจะรู้ได้ยังไงเมื่อมัผ่านจริงๆาคือมันได้ปัญญาก่อนแล้วก็บรรลุโสดาหรือเปล่าหรือว่าก็ก็เราไม่หรอกก็ดูว่าเรากลัวความเจ็บกลัวความตายหรือเปล่าคืออืม คือมันต้องเจอจริงๆแล้วอาจารย์แต่ว่าถ้าพิจารณามันก็ยังบางคนไม่ต้องเจอก็ได้เพียงแต่เขาคิดแล้วก็มีความรู้สึกว่าวเขาไม่กลัวออบางคนไม่แต่คิดก็กลัวละออบางแถวคําว่าตายไม่ให้มีออไม่ให้โผล่ขึ้นมาในใจเลย ค, คือคือเมื่อก่อนคิดคือแต่ฟังทำพยาบาลไปเรื่อยๆมันจะแบบเหมือนคิดเมก่อนมันก็จะซึมเหมือนมันมีปูมขึ้นมาเองแต่ถ้ายังไม่มั่นใจก็ต้องไปหาหาข้อสอบอ่ารอก็ลังรอให้ไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นอะไรองเงี้ยอ่า ดูว่ากลัว ห, หรือเปล่าต้องถึงแม้ว่าเราคิดว่าเราไม่กลัวแล้วแต่เราบางทีถ้าเราอยากจะเรายังอาจจะไม่ได้เจอข้อสอบเราเพียงแต่เป็นทําการบ้านอยู่เป็นนักมวยก็ยังชกกับกระสอบซรายอยู่ยังไม่ได้ขึ้นเวทียังไม่ได้เจอคู่ต่อสู้จริงก็ต้องไปลองหาคู่ต่อสู้จริงอย่างพระกรรมฐานพระธุดงค์นี่ท่านก็ไปหาคู่ต่อสู้ไปหางูหาเสืออะไรองี้ ไปหาความตายพูดง่ายๆคือถ้ามันถานแล้วคุณลอกกับไปที่ยังเจอเหมือนเดิมแล้วมันไม่ได้กลัวเหมือนเดิมมันไม่กลัวแล้วถ้ามันไม่กลัวครั้งเดียวมันรู้มันไม่กลัวแล้วมันยอมถ้ามันยอมตายแล้วมันรู้ว่าถ้ายังไม่ยอมตายมันยังกลัวอยู่แต่ยังไม่ยอมเจ็บมันก็ยังกลัวอยู่แต่ถ้ายอมเจ็บมันจะเจ็บเท่าไหร่ก็ปล่อยมันเจ็บไปมันรู้แล้วมันไม่กลัวแล้ว จะมีแบบกลัวบ้างไม่กลัวบ้างไหครับอาารยก็ยังก็แสดงว่ายังไม่ใช่ยังไม่ขาดอ่ายังยังไม่สมุดเฉดยังไม่ตัดตัดยังไม่ขาดค่าคำถามจากคุณดํากราบขอความรู้พระอาจารย์ครับพิสุกนีเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจะทําให้พระศาสนาเหลือห้าพันปีจริงหรือไม่ถ้าจริงเหตุที่ทําให้เหลือห้าพันปีคืออะไรตอนนี้มันไม่มันห้าพันปีไม่เกี่ยวกันอ่ะ ถ้ามันปีนี้เป็นคําทางานของพระเจ้าว่ า, าศาสนาพุทธนี้จะอยู่ได้ประมาณห้าพันปีไม่ใช่เพราะว่ามีภิกษุณีหรอกเพราะตอนนี้ภิกษุณีไม่มีแล้วเอแต่คําว่าการมีภิกษุณีนี้มันก็ทําให้โอกาสที่าศาสนาจะเสื่มได้ง่ายกว่าเพราะว่าภิกษุณีจะต้องอยู่ใกล้พระพระจะต้องเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลคอยสั่งสอนแล้วก็บางทีพระที่มีกิเลสกับภิกษุณีที่มีกิเลสเดี๋ยวไปอยู่ใกล้กัน<ๆ>เดี๋ยวไฟมันลุกขึ้นมา เดี๋ยวเกิดไปธรรมานาจารย์ขึ้นมามันก็จะทําทให้คตเสื่อมศรัทธาในศาสนาได้พระเจ้ายังไม่อยากจะให้พวกผู้หญิงบวชกันเนี่เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับต้องเป็นภาระกับพระพระจะต้องคอยคุ้มครองเพราะผู้หญิงอยู่ตามกำแพงสมัยก่อนเดี๋ยวโจรมันก็มามันก็มาบุกวัดได้แต่ถ้ามันรู้ว่ามีผู้ชายมันก็ยังไม่กล้าเพราะผู้ชายยังไงก็ยังคอยที่จะสู้กันได้อะไรอย่างนี้อยู่ พิสูจน์เองถึงแม้ว่าจะบวชแล้วก็ยังต้องอยู่ใกล้พระไม่สามารถที่ไปอยู่ตามกําพงได้ใช่เพราะเจ้าก็เลยไม่อยากจะบวชไม่ใช่เพราะว่ารังเกียจหรืออะไรแต่เห็นว่ามันเป็นภาระแล้วมันจะทําให้ความเสื่อมของศาสนามันเร็วขึ้นเพราะเดี๋ยวพระที่บวชที่ยังไม่บรรลุกับพิกษุณีที่บวชยังไม่บรรลุเดี๋ยวอยู่ใกล้กันอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็ <c oughs> ใช่ไหมภาคญี่ปุ่นนี่มีมีสาวมาทำบุญบ่อยๆเข้าไหมขนาดขนาดบวชมาตั้งสี่สิบกว่าปีเนี่ยสามสิบกว่าปีอ่พอเจอของรอดใจก็สอบไม่ผ่านเนี่ยตกสอบตกเนี่ยแล้วพอเสือไม่พอเสียอาจารย์คนหนึ่งนี้ลูกศิษย์หายไปเยอะเลยไหมอ่าใช่ งั้ก็พระพุทธเจ้าเลยอยากจะไม่อยากให้พระยุ่งไกลชิดกับญาติโยมกับผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นนักบวชแล้วไม่เป็นนักบวชก็ตามปลอดภัยกว่านี่นก็มีคําถามในพระอานุนลสงสัยเรื่องผู้หญิงเดอเลยถามว่าจะวิธีปฏิบัติกับผู้หญิงให้ทํำยังไงพงคเจ้าบอกว่าถ้าไม่จําเป็นต้องมองก็อย่าไปมองอนุนบวถ้าจําเป็ น, นต้องมองอย่าทำไงก็มองมองแบบรับๆอย่ไปมองอย่าไปจ้องมองแล้ว นนก็อย่าไปคุยถ้าจําเป็นต้องพูดก็พูดไม่ให้เกินหกคาพูดให้เขากลับบ้านวะอะไรทํานองนี้เพราะว่ามันเดี๋ยวมันคุยกันานานๆเห็นกันานานๆแล้วอกิเลสมันที่มันนอนตกตะกอนอยู่มันจะขึ้นมาถ้าเป็นพระอริยแล้วไม่เป็นปัญหาหรือพระเป็นพระอานาคามีแล้วไม่เป็นปัญหาท่านเห็นเป็นอสุภะแล้วท่านก็ดูยังไงท่านก็ไม่เกิดกามอารมณ์ขึ้นมา แต่ถกายังเป็นโสดาบันอยู่ยัง ส, สกิราคามีอยู่นี่ยังมีอารมณ์อยู่ยังกําจัดไม่ได้เพราะยังไม่เห็นสุภาพตลอดเวลาคําถามจากนายน่มการสละอวัยวะเมื่อตอนยังมีชีวิตถึงจะเป็นบุญมากหากเราบริจาคโลหิตให้สภากาชาดเราจะได้บุญเหมือ น, ก, อนกับการบริจาคอวัยวะหรือไม่ครับเหมือนการอย่างก็เพราะมันก็เป็นอวัยวะโลหิตก็เป็น อ, อ, อาการหนึ่งในะอาการสามสิบสองถ้าสละตอนที่เรามีชีวิตอยู่เรามีความรู้สึกเนี่ยมันสะเทือนใจเราใช่ ไ, ไมแต่เวลาเราตายวันนี้เราไม่รู้ราาลว่าร่างกายของเราเข้าไปทำอะไรมันก็เลยไม่มีความรู้สึกว่าเราได้สละอะไรไปมันต้องเกิดความรู้สึกว่าเราได้เสียสละตอนที่เราเซนเซนหนังสือบอกเราเสียสละเป็นเพียงแต่เซนเจตนาเท่านั้นเองยังไม่ได้ทำการเสียสละเน้นถ้าอยาก ก็ได้เหมือนกับบริจากอวัยวะเหมือนเบริจากตาเพราะคนที่เขาต้องมีการผ่าตัดถ้าไม่มีเลือดมาเขาก็ตายได้ใช่ไหมเขาก็เอาเลือดของเราที่เราบริจาคเนี่ยมาถ่ายเพราะว่าเวลาเวลาผ่าตัดมันเสียเลือดมากเนี่ยก็ต้องมีเลือดมาเสริมเนี่ยก็เหมือนกับเอาอวัยวะมาเสริมเนี่ยก็เหมือนกับไตเหมือนกับปอดเนี่ยเนี่ยถ้าคนบริจาคเลือดเนี่ยได้บุญเอ แต่ถ้าเบอร์จากร่างกายหลังจากที่ตายไปแล้วไม่ได้บุญแต่ได้ประโยชน์คืออวัยวะต่างๆก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้คนรับมันได้ประโยชน์แต่คนให้ไม่ได้ไม่ได้บุญเพราะไม่ได้เสียสละไม่รู้ว่าตัวเองได้เสียสละไม่ได้เห็นกับตามันต้องเห็นกับตาเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเหมือนก็น <c oughs> น ถ, ถ้าเกียนไว้ในมรดกว่าจะให้คนนั้นคนนี้เหมือนก็ไม่ได้ให้ถ้าจะให้เขาให้ตอนที่เราเป็ น, นให้ไปเลย แบ่งสมบัติให้ลูกมันไปเลยมีลูกกี่คนก็แบ่งให้มันไปส่วนที่เราจำเป็นจะต้องเก็บไว้ก็เก็บไว้แล้วส่วนนี้เวลาตายไปข้ะวยาไปก็ช่างหัวมันคำถามจากคุณยงยุทธ <c oughs> เราจะวางเฉยต่อความตายของคนที่รักได้อย่างไรครับก็ต้องฝึกจิตเนี่ยต้องควบคุมจิตให้เฉยต้องใช้สติฝึกสติให้มากถ้ามีสติแล้วเวลาใจจะไม่เฉยเราก็หยุดมันได้ คำถามจากคุณปรเสริดทำบุญให้แต่เขาไปเกิดแล้วแล้วบุญไปอยู่ไหนครับก็กลับมาหาเรานะคำถามจากผู้ <c oughs> ไม่ประสงค์ออกนาม <c oughs> มีเพื่อน <c oughs> ที่มีแฟนบวชอยู่แต่พระท่านโทรหาเพื่อนบางเวลาผิดศีลไหมคะเขาอาจคิดว่า ไม่จริงจังมากเพราะวางแผนบวชพรรษาเดียวค่ะควรบอกเพื่อนยังไงดีคะ <S <S หรือเฉยๆไปอ่าก็ไม่ใช่เรื่องของเราก็เดี๋ยวก็เสียเพื่อนอีกไปบอกเขาเดี๋ยวเขาก็โกรธเราขึ้นมาอคําถามจากคุณพิญญาดาเราไม่ได้อยู่ดูแลพ่อแม่แต่เราส่งเสียตามกําลังเราแบบนี้ถือว่ากตันยูไหมคะกระนยูคนญาติพี่น้องชอบบอกว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องอยู่ไกลค่ะ อ๋อใกล้การไม่สําคัญถ้าเราให้ความช่วยเหลือกับท่านในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็แสดงว่าเราได้ทดแทนบุญคุณให้กับท่านบางคนคนอยู่ใกล้แต่ไม่มีเงินแต่คนอยู่ไกลมีเงินก็ส่งเงินมาให้ก็ช่วยเงนคนละทางคนอยู่ใกล้ก็ช่วยทางด้านทางการการเลี้ยงดูช่วยเหลือทําอะไรต่างๆคนส่งเงินมาก็สนับสนุนค่าใช้ใจ่ายมันก็ได้บุญทั้งคู่ได้ได้ตอบแทนบุญคุณทั้งคู่ แต่วิธีการตอบแทนอาจจะต่างกันไปตามสถานภาพของแต่ละคนคำ ถ, ถามจากคุณธัญรัตน์เวลานั่งสมาธิแล้วฟังเทศของครูบาอาจารย์ไปด้วยจิตไปจดจ่ออยู่กับธรรมะจะได้บุญไหมคะเพราะถ้านั่งเงียบๆอยู่ได้ไม่นานค่ะถ้าเราจดจ่ออยู่กับธรรมะเราก็ได้บุญจากการฟังธรรมเยได้ได้สมาธิฐิได้ปัญญาได้ความสงบเพราะฟังธรรมแล้วใจไม่ไปคิดฟุง้งซ่าน ใจก็จะสงบได้แต่าจะไม่สงบเต็มที่เหมือนกับเวลาเรานั่งสมาธิคนเดียวถ้านั่งสมาธิคนเดียวมันจะลงได้ลึกกว่าเพราะไม่มีอะไรมาดึงไว้ไม่มีเสียงธรรมะดึงเอาไว้เสียงธรรมะนี้ช่วยกล่อมใจไม่ให้ฟุ้งซ่านแต่ไม่สามารถทําให้ใจรวมเป็นหนึ่งได้นอกจากว่าถ้าฟังด้วยปัญญาเข้าใจปัญญาแล้วตัดกิเลสได้ใจก็ดิ่งลงเป็นหนึ่งได้อย่างพระ อ, อาญย์กนทัญญะหลังจากฟังแล้วก็ ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายจิตก็ดึงด่งเข้าสู่ความสงบท่านรู้ว่าท่านไม่กลัวแนละไม่ทุก์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะเห็นว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาห้ามไม่ได้อยอมรับความจริงจิตก็เลยปล่อยวางร่างกายได้โดยที่ไม่ต้องไปหาข้อสอบท่านเห็นผลที่เกิดจากการ เห็นด้วยปัญญาของท่านจิตท่านเ่งเข้าสู่ความสงบคำถามจากคุณรัตดาจะซ้อมตายอย่างไรดีคะทราบข่าวคนตายกระทันหันไม่รู้ตัวหลับไปแล้วหายใจไม่ออกหัวใจหยุดเต้นไปเฉยๆทำให้คิดว่าท่องพุโทโธตลอดเวลาที่คิดได้รู้สึกตัวเผื่อตายกระทันหันจะได้มีสติตลอดเวลาจะดีไหมคะก็ดีดีแต่ยังไม่ดีเท่ากับการซ้อมด้วยปัญญา แต่ก่อนจะซ้อมด้วยปัญญาได้ก็ต้องซ้อมด้วยสติก่อนให้จิตมีความหนักแน่นมีความามีหลักมีเกณฑ์ก่อนไม่วอกแวกเพราะถ้าไม่มีหลักมีเกณฑ์เดี๋ยวไปคิดถึงความตายมันจะเศเร้าหรือว่ามันจะฟุ้งขึ้นมาจะกลัวขึ้นมาได้แต่การใช้สติอย่างเดียวยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องความตายได้หมดถ้าเรามีสติแล้วขั้นต่อไปก็ไปนอนในโรงดูอย่างเมื่อวานนี้เทศ ที่สำนักบางแห่งเขาไปนั่งสมาธิดูโศกไปพิจารณาดูความตายกันต่อไปมันก็จะซึมซาบก็ไปในใจคำถามจากคุณ <c oughs> เมทาเราทำบุญอุทิศให้คนโน้นคนนี้บุญเราจะเหลือบุญไหมครับเหมือนเดิมไหมครับหรือหมดแล้วหมดเลยอ๋อเราได้เพิ่มอีกเพราะนอกบุญที่เราให้ไปแล้วเราก็ได้บุญที่กลับมาจากการให้บุญคนอื่นแล้วเราได้สองเด้ง แล้วเราทำบุญแล้วเราอุทิศบุญเราได้สองบุญบุญที่เกิดจากการทําทางเสียสละเงินทองและบุญที่เกิดจากการแบ่งปันบุญให้กับคนอื่นกรรมได้มากขึ้นกรรมไมไ่น้อยลงต้องถามจากคุณอ <c oughs> าหลงสามีภรรยาเลิกกันอีกฝ่ายฆ่าตัวตายคนที่อยู่จะบาปไหมครับไม่บาปเพาถ้าไม่ได้ไปทําเป็นเหตุให้เขาฆ่าตัวตายถ้าเขาฆ่าตัวตายก็เ ข, ข้าเสียใจ อันนี้ก็ไม่บากแต่ถ้าไปสั่งเา็าว่ามึงตายสัดีอย่าอยู่เลยอันนี้ก็อาจจะบากเพราะไปยุยงให้เขาฆ่าตัวตายแต่ตัวเองก็ยังไม่ได้ฆ่าเพียแต่ว่ามันไปไปไปชี้โพร่ให้กระลอกเนี่ยก็ไม่ควรควรจะถนอมน้ำใจกันถึงแม้ว่าจะต้องจากกันเลิกกันก็พูดกันดีๆถนอมน้ำใจแต่เขาจะไปฆ่าตัวตายนี้ก็ห้ามก็ไม่ได้ ข้อคำถาเจ้าคุณออยการบริจาคร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่กับการที่ตายไปแล้วให้ลูกหลาน ท, ำทํำพิธีศพให้แบบใดจะได้บุญมากกว่ากันเจ้าคะไม่ได้ทั้งสองทางบุญจะเกิดจะต้องให้ร่างกายตอนที่เรายัางไม่ไ ม, ไม่ไม่ตายเชเชิญเลยใครอยากจะได้หัวใจก็มาเอาไปใคอยากได้ปอดก็มาเอาไปใคอยากจะได้ตาก็มาเอาไปถ้าให้ตอนที่เรายัางไม่ตายเราจะได้บุญมาก เคยเรามีการเสียสละเนี่ยแต่เวลาเราตายไปแล้วเราไม่ได้เสียสละอะไรแล้วคำถามจากคุณสมชัยผมนั่งสมาธิแล้วได้เห็นแสงสีขาวสว่างแสงนั้นคืออะไรครับอ่ามันคืออะไรมันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอนัตตาก็คือเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันโผล่ขึ้นมาใหม่ก็ไม่ได้เวลามันโผล่สั่งให้มันดับก็ไม่ได้ แล้วเราก็ให้รู้เฉยๆไปรู้ว่ามันเป็นตายรักอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยากกับมันอย่าไปสนใจมันเพราะมันไม่ใช่ผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิมันเป็นผลข้างเคียงผลที่เราต้องการก็คือความนิ่งความว่างความสงบของใจไอ้แบบไม่ดีนะไงตอนนี้ตัวไหนไม่ดีวะนตจัอ่าอ่ใน เ, เวลากล้จะหมดเวลาละคาถามจากคุณพล หลังตายไปแล้วเราจะสร้างบุญได้หรือไม่อย่างไรครับไม่ได้ล่ะเวลาตายไปรับเป็นเวลาไปรับผลบุญผลบาปนอกจากเป็นเทวดาแล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมนั้นน่ถึงจะได้บุญถ้ามีพระพุทธเจ้ามีพระอระหันต์สามารถติดต่อเทวดาได้แล้วเทวดาก็ไปฟังเทศฟังธรรมก็อาจจะบรรลุธรรมได้อย่างแม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าไปสอนแสดงธรรมให้หนึ่งพรรษาจนบรุเป็นพระสวดามันขึ้นมาได้ แต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมก็จะไม่สามารถทำบุญได้เพราะไม่มีที่ทำไม่มีคนรับบุญทุกคนเป็นเทวดาเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีบุญกันนต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเจอคนทุกข์ยากลำบากแล้วเราก็แบ่งปันเงินทองให้กับเขาไปเราก็จะได้บุญขึ้นมาอาจารย์ตัวอย่างนีอาจารย์แสดงธรรมเนีเทวดามาฟังได้ไได้ถ้าเขาอยากจะฟังแต่คงไม่ได้เพราะมันมันเป็นเสียงไงมัน จะแสดงเทวดานี้ไม่ต้องแสดงทางจิตมันจิตจะต้องลงลึกกว่านี้พระพุทธเจ้าจึงแสดงตอนดึกเทวดาจะมายามดึกตอนที่มนุษย์นอนกันหมดนะก็สร้างได้อจากเพียงจากการทําฟังธรรมนั้นเองฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมนี้ทําที่ใจไม่ได้ทําที่ร่างกายแล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลที่พานจากภพคุมเทวดาได้ เราสัตว์เดรัจฉานนี่ไม่ได้บาไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าไปกินสัตว์อื่นเนี่ยไม่มีบาปอะไรใช่ไหมมีก็กินก้าฆ่าเขาก็บาปต้องมาเกิดเป็นสัตว์ที่กินผักนะถึงจะอล้วสัตว์เดรัจฉานก็ยังสร้างบาปส้องบาปจนกว่าจะมาเป็นสัตว์ที่กินกินผักแล้วต่อไปก็ถึงจะได้มาเป็นมนุษย์ต่อได้ถ้ายังฆ่าอยู่มันก็ยังต้องมันก็ยังต้องรับผลบาปต่อไปเรื่อยๆเพราะยังทําบาปอยู่ เราไม่ได้ทําบุญเลยเวลาตายไปบาปมันก็มากกว่าบุญอยู่นั่นะจนกว่าจะเลิกทําบาปมากินผักเป็นวัวเป็นควายเป็นสัตว์ที่กินผักใกล้จะมาอ่าเพราะไม่ได้ทําบาปแล้วไงข้ามถามจากคุณบางการภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆในระหว่างวันแล้วจะกลายเป็นความเคยชินจิตเราก็ทํางานไปเอง คือภาวนาเองใช่ไหมเจ้าคะใช่ถ้าทําไปบ่อยๆต่อไปก็ไม่ต้องไปเขี่ยวเข็นบังคับมันมันจะเป็นอัตโนมัติที่ถ้าเรื่องวิสติปัญญาอัตโนมัติเนี่ยมันจะไม่ต้องไม่ต้องคอยสั่งคอยบังคับมันทําไปบ่อยๆมันมันมีความสุขแล้วมันจะชำนาญเหมือนหัดพิมพ์ดีอย่างเงี้ยตอนต้นก็ต้องบังคับจิ้มไปเรื่อยๆพอจิ้มไปเรื่อยๆพิมไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ทํางานขึ้นไปทุกอย่างมาอาศัยการฝึกฝน การาปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นการฝึกฝอนอบรมจิตใจให้คิดให้ทําไปในอีกทางที่ดีที่ไม่เป็นโทษมีแต่คุณคําถามจากคุณสุขุมการนั่งสมาธิสมควรนั่งกี่นาทีครับมีกําหนดกฎเกณฑ์หรือเปล่าครับคือนั่งให้มากที่สุดเท่าทียย่จะมั่งนั่งไดนะ้เพราะมันเป็นเหมือนกับไปที่ธนาคารแล้วธนาคารก้อนุญายให้เราเข้าไปในในห้องเก็บเงินเขาเราจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ได้เราจะต้องการกี่ตังคนะ์ เราจะเอาแค่บาทสองบาทหรือว่าเราจะเอาขนมาได้เท่าไหร่เราก็ขนมาหมดนั่งสมาธิก็เหมือนกับการได้ไปได้เงินฟรีๆอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเสียเงินเราจะเอาแค่บาทเดียวหรือจะเอาแค่พันบาทหรือแสนบาทก็อยู่ที่เรานั่งสมาธิถ้านั่งนาทีหนึ่งก็ได้บาทหนึง่งถ้านั่งชั่วโมงหนึ่งก็ได้หกสิบหกสิบบาทอก็แล้วแต่คาถามจากคุณถ <c oughs> ัดไยรัฐ <c oughs> เมื่อวานนั่งสมาธิแล้วมีความสบายใจแล้วได้กลิ่นดอกไม้หอมมากแสดงว่าเทวดามาโมทนาบุญใช่ไหมครับก็ไม่ใช่หรอกก็เป็นกลิ่นดอกไม้ไม่ได้เป็นเทวดาหน่อยกลินดอกไม้ก็กลิ่นดอกไม้ถ้าเป็นเทวดาก็ถามมันดูเลยเทวดามาหรือเปล่าอย่าไปอย่าไปเหมาว่าให้ศัก์แต่วรู้ตามความเป็นจริงถ้าเป็นดอกไม้ก็เป็นดอกไม้อย่าไปว่าเป็นเทวดาเนี่ยหลงอีก้ว เห็นเป็ดเป็นไก่เห็นไก่เป็นเป็ดนี่เห็นเทวดาเห็นดอกไม้เป็นเทวดานี่คำถามจากคุณสรัญญาฟังธรรมของพระอาจารย์ลูกอุทิบุญได้ไหมคะฮะไม่ได้หรอต้องทําต้องทําทานอย่างเดียวเพราะมันยังไม่เกิดบุญไงบุญยังไม่สำสำเร็จเอบุญมันยังน้อยอยู่เราไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้อุทิศบุญด้วยการฟังธรรมหรือด้วยการนั่งสมาธิหรือด้วยการรักษาศีล ทสอน้อุทิศบุญในการทาทานถึงถึม้ว่าพัที่สงของศีลก็สูงกว่ทานแต่แต่มันหมกับอุทิศนี้ต้องเป็นทานอย่างเดียวนอก้าครูบาอาจารย์งตาเราจะอุทิศบุญให้แม่ท่านท่านยังจัดทาบุญถวายทาบุญนิมนต์พระมาถวายข้าวของต่างทุกปีท่านจะจัดงาน ทําบุญอุทิศกันญาติโยมรู้ก็เลยมาร่วมกับท่านแต่ตอนเริ่มต้นจากการที่ท่านทําบุญให้แม่ท่านแม่ท่านหลังจากที่ตายไปแล้วท่านก็คิดทําบุญส่งไปแต่อาจจะความจริงอาจจะทําเพื่อที่สอนญาติโยมพวกก็ได้เพียงแต่ใช้อุบายแม่ของท่านมาเป็นเหตุความจริงแม่ของท่านอาจจะบรรลุธรรมแล้วไม่ต้องมารอรับส่วนบุญนี้ก็แล้ว แต่ท่านก็ใช้เหตุแบบความเชื่อแบบทั่วไปว่าเวลาพ่อแม่ตายไปลูกๆ ก, ก, ก็ต้องทำบุญส่งไปให้พ่อแม่ท่านก็อาจจะใช้ธรรมเนียมนี้มาเป็นเหตุมามาหลอกมาล่อให้ญาติโยมมาทำบุญกันเราพวกเราถ้าไม่มีเหตุจะไม่ค่อยชอบทำบุญกันต้องมีเหตุต้องมีวันสำคัญสำคัญหนึ่งทํทำบุญกันเนี่ยเขาถึงเนี่ยนักปราชเลยต้องสร้างวันสำคัญขึ้นมาพวกเราได้ทาบุญกัน สร้างวันมาพะสร้างวันวิสาขะสร้างวันพระเนี่ยขึ้นมาเพื่อพวกเราจะได้มาทําบุญกันถ้าปล่อยให้ทำการสมัครใจไม่มาเรากเลือกวดน้ําก็ได้ยินสองทางครับว่าจะเป็นไม่ต้องใช้น้ําหรอกใช้ใจใช้ใจ <c oughs> บุญอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่น้ําแต่คนเรามองไม่เห็นใจไงก็เลยใช้น้ําเป็นแทนใจไปจะได้เห็นว่าเราเทน้นํานี่เรากําลังเทบุญไปคจริงบุญที่เราไปนี่ส่งจากทางความคิดเรา ความคิดเรามัเหมือนกับกระแสขึ้นวิทยุเนี่ยเวลาเราพูดโทรศัพท์เนี่ยเราพูดไปมันก็แปลงเป็นขื้นไปใช่ไหมแล้วมันก็ไปเข้าไปอีกเครื่องหนึ่งเนี่ ย, นยคนที่รอรับนั้นก็รับรับความคิดของเราได้รับบุญของเราได้แต่เวลาเราโทรไปเราพูดหวานๆนี่เขายิ้มวเวลาฟังสบายดีหรือเปล่ามีความสุขหรือเปล่า อ้อนเงินมาให้แล้วนะนายนี่คนรับรู้สึกยังไงมีความสุขใช่ไหมนั่นก็แบบเดียวกันเวลารับบุญเสร็จแล้วก็โ้อนเงินไปบอกอวันนี้ทําบุญให้เธอแล้วนะอะขอให้เธอได้รับบุญส่วนนี้นะถ้าเธอรอรับอยู่เก็ไปทางใจแหละใจเราคิดปั๊บมันก็ออกไปแล้วเป็นกระแสะขึ้นไปแล้วในค น, นคนบางคนก็อ่านกระแสะขึ้นเราได้ก็ เ, เลยรู้ว่าเรากําลังคิดอะไร พวที่มีพลังจิตเนี่ยเขาสามารถอ่านความคิดของคนอื่นได้เพราะความคิดของเรามันเหมือนกับคลื่นที่เราส่งไปตามจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยใครมีเครื่องแฮกเข้าไปได้ก็ฟังได้ใช่ไหมกําลังคุยกับแฟนคนอีกเครื่องคนอีคนนึ่งเขมีอีกเครื่องหนึ่งเขาสามารถแฮกเขาดึงสัญญาณของเรามาเขา้าเครื่องเขาได้ก็ฟัง<ะ>อ๋อไม่ได้บาหรอกฟังอ๋อไม่ได้บ้าอะไรเนี่ยก็มันเป็นความสามารถพิเศษ เอนโ2นให้าอีกสองอีก่องข้ถามจากคุณเบญจวรรณภาวนาเจริญสติอยู่บ่อยๆแต่ทําสมาธิไม่เท่ากันแต่ความเห็นของใจค่อยๆเปลี่ยนเห็นตามคำสอนขอคําแนะนําเพิ่มเติมด้วยค่ะก็พยายามทำไปเรื่อยๆฝึกสติให้มากๆแล้วพยายามนั่งให้มากๆตอนต้นต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสตินั่งแล้วก็จะไม่ได้ผล อยงนี้ก็ลองพยายามทำสติแล้วพยายามนั่งถ้านั่งยังไม่ได้ผลก็สแสดงว่าสติยังไม่พอก็ฝึกสติไปฝึกไปทั้งวันไม่ใช่ฝึกเฉพาะเวลามานั่งนะพุโทโธไปท่านตื่นขึ้นมาเลยคำถามจากคุณนัทวุฒิเมื่อตาสัมผัสกับหูสัมผัสรูปเสียงก่อนอารมณ์จะเกิดขันตัวไหนทำงานก่อนหลังครับการวิ ญ, ญญาณขันไปก่อนไงวิญญาณขันต้องไปที่ตาหูจมูกลิ้นกาย เพื่อรับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาพอได้รับรูปเสียงกลิ่นรสใจก็รู้ว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรก็สัญญาก็มาตอนนี้เป็นเสียงแฟนเราเป็นเสียงคู่อริเราถ้าเป็นเสียงแฟนก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นเสียงของคู่อริก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นมาพอเกิดเวทนาก็เกิดตัณหาขึ้นมา ถ้าเป็นเสียงแฟนก็อยากให้พูดนานๆถ้าเป็นเสียงคู่เลยก็อยากให้มันวางสายเร็วๆ <c oughs> ไม่อยากฟังแล้วก็เกิดอุปทานอยากจะฟังแต่เสียงดีๆไม่อยากจะฟังเสียงที่ไม่ดีพอเจอเสียงไม่ดีก็โยนทิ้งไปเลยอุปทานแล้วก็ทําให้ไปเกิดใหม่เพราะอยากจะได้เสียงดีๆเพราะเสียงดีๆไม่มีก็ต้องไปหาใหม่พอร่างกายตายไปก็ต้องไปหาตาหูจมูกนิ้วกายใหม่ พรถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่สามารถรับรูปเสียงกลดดิ่นรสได้เนี่ยถ้าเรามีการเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะเรายังมีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยู่เลยต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายต้องมีร่างกายไ <c oughs> อ้ข้อหมดด้วยหมดสองข้อแล้วใช่ไหมค <c oughs> ่ะพ <c oughs> อดีหมดเวลาพอดีก็ <c oughs> สมควรแก่เวลาก็ <c oughs> ต้องขออาภัยด้วยนะธรรมะมันนี้ถ้ามันดมลุคุกกามันก็เป็นไปตามธรรมะจัดสรรค์นะ